Uh huh. ของคำว่าทุกขในพุทธศาสนาเนี่ยคือขายทั้งห้ารึเปล่าคะคำว่าทุกเป็นความคำที่ผู้เจ้าบอกว่าสามารถอธิบายไปได้โดยอนเนกปริยายเป็นคําที่กว้างมากการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกข ความตายก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์นะเวทนาใดๆเวทนานั้นก็ถึงการประชุมลงในความทุกข <g ül> ์ตัณหาก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดอุปท า, านก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดอวิชาก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดนะภาพรวมๆก็คือเรา <c oughs> เราส่วนใหญ่ไม่จะคิดว่าความทุกข์เนี่ยหรือทุกข์กระสับเนี่ยคือความรู้สึกทุกข์อย่างเดียวเอาง่ายๆก่อนตรงนี้ว่า ทุกขสัติ์เนี่ยไม่ไม่ได้แคบแค่นั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์เป็นทุกข์ษัตริย์ในฤษใช่อยู่แต่มีมากกว่านั้นนะทุกข์ในฤาษีเนี่ยคือสิ่งใดก็ได้ที่มันเกิดมาแล้วมันเสื่อมมันแตกสลายไปได้ก็ถูกเรียกว่าทุกข์ทั้งหมดเลยนะทุกขังก็คือการแตกสลายพร <c oughs> ะศาสดาจึงบอกว่าเวทนาใดๆ เวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์ท่นี้เวทนามี3ามอันคือสุขทุกข์กับอทุกขกรรมสุขสุขก็ประชุมลงในความทุกข์คือสุขต้องเดินไปสู่การแตกสลายความทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็คือความทุกข์ต้องเดินไปสู่การแตกสลายไม่มีใครทุกข์แล้วทุกข์ถาวรทุกข์ดับก็มีเดี๋ยวสุขก็มีเดี๋ยวสุขดับก็มีเดี๋ยวทุกข์เกิดก็มีเดี๋ยวทุกข์ดับก็มีมันจะสุขทุกข์สุขทุกข์อย่างนี้เห็นไหมคาพูดมันซ้อนกันนะ ทุก็เป็นทุกสุขก็เป็นทุกอุเบกขาก็เป็นทุกนะทุกขังตรงนี้คือแตกสลายวิญญาณก็เป็นทุกคือวิญญาณก็แตกสลายรูปก็เป็นทุกนะอ่าคือรูปก็แตกสลายอย่างนี้ทีนี้ก่อนแตกสลายก็คือเสื่อมถ้ามันไม่เสื่อมมันก็ไม่แตกสลายดังนั้นกฎแห่งความเสื่อมก็ต้องมีเสื่อมแล้วไม่ได้หยุดเสื่อมเลยเสื่อมเรื่อยๆนะ เสื่อมแล้วก็เสืออเส่อมอีกเสื่อมอีกเสื่อมอีกเสื่อมเรื่อยๆทุกขนาดโดยทั้งเสื่อมถึงที่สุดก็คือแตกสลายหายไปหมดนะี่กท็ทุกขังดังนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยก็เลยทุกขสัตว์เนี่ยกว้างขนาดนี้สรรพสิ่งในโลกทัลธานเนี่ยเป็นทุกข์หมดในสังกตธรรมสังกัตคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งได้ธรรมชาติที่มันถูกปรุงแต่งได้เนี่ยมันจะเป็นทุกข์ทั้งหมด การปรุงแต่งได้คือมันไม่อยู่คงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ที่สุดต้องดับนี่จะเปลี่ยนแปลงแบบใก็ตามมันไม่อยู่คงที่มเมื่อมันไม่อยู่คงที่ต้องมีการเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บมันจะเสื่อมกฎแห่งการเสื่อมไปนั่นแหละคือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนจากความคงที่ความความที่ไม่สามารถดำรงสภาวะเดิมอยู่ได้นะ อย่างน้ําก็ต้องละเหยไปก้อนน้าแข็งก็ต้องละลายนะอากาศก็เปลี่ยนเป็นหมอกเป็นเมฆเป็นฝนบ้างอะไรบ้างทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยทั่วโลกธาตุนี้นี่ะนะเข้าใจไหมแล้วคําว่า อ, อุปทานขันท่าหรอคะอุปทานขันท่าก็คือคือมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามายึดขันท่าสิ่งนี้พระเจ้าจะเรียกว่าสัตตานัง an มันมีสัตว์ที่เข้ามายึดขันห่านะเพราะนั้นสัตว์เข้ามายึดขันท่าเนี่ยก็คือสัตวานังนี่แหละนะอะไรก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอะนะที่มันมีอวิชาความไม่รู้มันมาคิดว่าขันท่าเป็นตัวมันขณะที่มันคิดว่าขันทเป็นตัวมันเนี่ยผู้เจ้าเรียกสิ่งสิ่งนี้เรียกชื่อมันว่าสัตว์ หรือสัตตานังสัตตะสัตตาหรือสัตตานังนผู้เจ้าจึงบอกสัตว์ผู้มีบอกราคาความพอใจอันใดราคาอันใดตัณหาอันใดนหรือนันทิอันใดตัณหาันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการที่เข้าไปติดแล้วคล่องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้จึงถูกเรียกว่าสัต ทีนี้ระบบใหญ่ๆมันก็มี2ระบบแค่นั้นเองคือสังคตะกับอสังคตะระบบที่ถูกปรุงแต่งได้กับไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้ระบบที่ปรุงแต่งได้เนี่ยก็คือธรรมชาติ5อย่างคือขันห้าแปะเปลี่ยนถูกปรุงแต่งได้หมดทีนี้อีกระบบใหญ่ๆที่ปรุงแต่งไม่ได้เรียกอสังคตะ อะก็คือไม่สังกัตคือไม่ถูกปรุงแต่งหรือปรุงแต่งไม่ได้ก็คือสภาวะของสุญญาตาหรือความว่างนะโดยธรรมชาติเนี้ยนะถ้ามันเข้ามาหลงยึดธรรมชาตินี้มันจะถูกเรียกว่าสัตตานังนะแต่ถ้ามันหมดอวิชชาแล้วมันจะถูกเรียกหมายว่าวิมุติอันทัศนะในธรรมชาติฝั่งเนี้ยนะที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้เนี่ย มันก็จะมีมีมีสสิ่งอยู่ได้กันสิ่งสิ่งหนึ่งจะตั้งอาศัยในอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่ไปตั้งอาศัยในอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนี้เรียกวิมุติยันทัศนะและมันจะตั้งอาศัยในวิมุตดังนั้นวิมุติยันทัศนะกับวิมุตเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนกันจึงเรียกว่ากฎอสังคตะคือเกิดไม่ปรากฏนะเสื่อมไม่ปรากฏ เมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันนิ่งสนิทนะมันเป็นภาวะคงที่นะภาวะนี้จึงมีหลายชื่อให้เรียกว่าเช่นสัจจะคือความคงที่นะคือความจริงสัจจะคือความจริงจริงๆรจริ ง, ร ง, รงตลอดกาลอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงและเป็นความคงที่ที่ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะได้ไหมอย่าต้องมองภาพรวมไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดเป็นอย่างนี้ ทีนี้เรามานั่งประพฤติปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเราก็เพื่อกลับเข้าไปสู่สิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งเดิมตรงนี้แต่ตอนนี้เรากำลังเข้าใจผิดที่ว่านี่เป็นเรากับพระเจ้าต้องมาแก้ความเข้าใจผิดไ อ, อ น, นี้ไม่ใช่เรานะเราจริงๆเนี่ยคืออสัญขตรนี่แหละนะคือวิมุติยันทัศนะนี่แหละที่ทุกคนต้องกลับเข้าไปถึงแต่ทุกคนก็ไม่สนใจคิดว่า ใช่บ้างไม่ใช่บ้างก็คิดไปจีปาฐานาสาราพันธ์แต่ก็ยังคิดอยู่ว่าไอ้ขันหนานี่ยเป็นเราแต่เราก็ต้องตายไปกับขันหน้าแล้วเราก็ต้องทิ้งขันหน้าครูเจ้าก็เลยมาพยายามบอกให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอ๊ะทำความเข้าใจนะตาไม่ใช่ของเธอหูไม่ใช่ของเธอจมูกไม่ใช่ของเธอลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอนะให้เธอทําความเข้าใจตรงนี้นีการกระทําต่างๆเนี่ย มันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติว่ามันอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันอาศัยว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแต่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จะดับไปมันคือธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าสัมผัสมีเวทนาจะมีเวทนามีตัณหาจะมีตัณหามีอุปทานจะมีอุปทานมีภพชาติชรามะนะจะมี นี่ธรรมชาติเป็นอย่างนี้เราต้องมาทําความเข้าใจใหม่ในการที่จะมาเริ่มทําความเข้าใจใหม่ตรงนี้มันมีเรื่องที่เราติดยึดมายาวนานไงยึดติดว่าจิตเป็นเรายึดติดว่าอารมณ์เป็นเรายึดติดว่ารูปกายเป็นเราพอยึดติดรูปกายเป็นเราก็มีการกระทําเกี่ยวกับรูปกาย นะคือการประพฤาาแบบตกรรพฤิกายวาจาแบบต่างๆเยอะแยะไอการประพฤติกายวาจาแบบต่างๆเนี้ยนะที่เรายึดติดน่ะนะคุณพก็บอกก็ต้องล้างความเห็นตรงนี้ด้เพื่อที่จะมาล้างว่ากายไม่ใช่เราก็ต้องมาล้างพฤติกรรมเกี่ยวกับกายก่อนนะดังนั้นเราก็มีพฤติกรรมเกี่ยวกับกายเยอะแยะเช่นบูชาไฟไป ตีปาถ่นะเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นนะมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขามีที่พึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้กายนี้แตกทำํำลายเพื่อทําให้กายนี้นะเกิดความเป็นมงคลไม่เจ็บไม่ป่วยมีความเจริญสัตว์ทั้งหลายก็คิดว่ากายนี้จะเป็นไปเพราะป่าศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลุคเทวดานะเจดียนะสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต้องล้างความเห็นผิดตรงนี้ ล้างความเห็นผิดตรงนี้แล้วยังต้องมาล้างความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นเราอีกนี่มันหลายชั้นนั้นเนี่ยนะนิยมหยุดเพิ่งล้างความเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราเพราะว่านี่ยังของเราของเราอยู่เลยใช่ไหมแต่มันต้องล้างไอ้ของเราแล้วก็มาล้างว่ากายนี้ไม่ใช่เราล้างกายนี้ไม่ใช่เราได้แล้วนะต้องมาล้างว่าจิตไม่ใช่เราอีกอ่าล้างความเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราได้แล้วนี่ก็ระดับอนาคามี นายธมีก็ต้องมาล้างความเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราอีกอารมณ์ต่างๆไม่ใช่เรานะถึงจะเข้าถึงอสังขตายมดูว่าขั้นตอนมัน <c oughs> ยุ่งยากยุบยิบขนาดไหนใช่ไหมอ่าทีนี้เราทั้งหลายก็อยากปฏิบัติเห็นจุดมุ่งหมายมันดีโอ้น่าถึงนิพพานนะตรงนู้นแต่เราก็ไอ้นี่ก็ยังศักดิ์สิทธิ์ไอ้นี่ก็พิธีนี้ก็ยังดีเทพก็เสียดายโน่นก็นะ รูมก็เสียดายหูรถติดเยอะแยะเลยอะ่ะเยอะเราก็จะเป็นสัตว์ที่วิ่นไหวในสังสวัสด์ไปตลอดเห็นว่ามันไกลมไ้มมันไกลเยอะเหมือนกันนะอืมเนี yeah. ่ยนั้นกเ็เลยต้องแก้เป็นชั้นๆชั้นๆไปเรื่อยๆแต่คนบางคนมีอินทรีย์แก่กล้าครับปุ๊บทีเดียวเลยก็ได้น่ะแค่โยมวางใจไม่เอาละความเห็นสํานักพามเราอื่นช่วยอะไรเราไม่ได้น่ะ ช่วยเราพ้นทุกข์ไม่ได้เราเดินตามอนันตสัมมาสัมพุทธาดีกว่าถ้ายมมั่นใจตรงเนี้ยโสดาบันนยใช่ไหมพอโยมเป็นโสดาปฏิมากเนี่ยโยมก็จะมีความเพียรนะปารบความเพี้ยนขึ้นไปขึ้นไปโยมเชื่อว่าหนทางเนี้ถูกต้องนะบูชานั่นน้นนี่ฉันไม่ได้แนะ่หลุดพ้นไม่ได้นะน่ เ, เดินตามพระเจ้าดีกว่าเหมือนโยมเชื่อมั่นแล้วว่าเส้นทางเนี้ยมรรคมิลแปดคือทางพ้นทุกข์ ออกจากป่าได้เส้นทางอื่นออกจากป่าไม่ได้ อ, ออกจากสังสารใต้ด้วยขนทางนี้มรคาสายเดียวนี้นะโยมก็เดินตามใครเป็นคนบอกมรคาสายนี้สัมมาสัมพุทธะโยมเชื่อมรคาสายอื่นโยมไม่ไปนั่นน่ะเรียกว่าโยมมีความเชื่อมีความเลื่อมใสที่ยังลงมั่นในตถาคต นะคะสมุทยัยก็คือสาเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยก็คือปัญหาคือตั ว, ต, วตัวที่มันทาให้เกิดทุกข์เป็นเป็นตัวใหญ่ไม่ใช่ป่ะถ้าเราพูดว่าปัญหาตัวเดียวเนี่ยมันคือสาเหตุของการเกิดทุกข์นี่จะได้ไหมเจ้คาค่ะคือพูดโดยย่อผู้ช่าก็พูดอย่างนั้นเพราะว่าโยมต้องจําสายปฏิจจาให้ได้ทั้งหมดเนี่ยสายปฏิจจาทั้งหมดเนี่ยปัญหายอยู่ประมาณ ก, ากลางๆงสายนะ พูดกลางๆสายเนี่ยคนรู้จักได้เงยยอมพูดสูงเกินปุกคนก็เริ่มไม่รู้จักอวิชาอาวิชาไแปลว่าอะไรสลายชนะแปลว่าอะไรนะแต่พอบอกความอยากปุ๊รู้อยากกินอยากนอนอยากขับายอยากได้เสื้อผ้าอยากได้บ้านง่ายไงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ่าเพราะนั้นพูดตรงนี้คนจะเห็น แล้วคนจะเข้าใจว่าถ้าดับความอยากเนี่ยเออมันก็หมดเนาะถ้าเราไม่มีความอยากหมดเลยความทุกข์ก็ไม่มีนะอยากได้กระเป๋าสบายก็เป็นทุกข์แล้วนะอะไร ห, หมดความอยากทุ๊บความทุกข์ไม่มีเนี่ยอือมันก็รวมแบบการที่แบบไม่มีผัสสะนัะ่นคือสิ่งทอือฮะตัสะนี่คือตัวทุกจุดนะ่ะมันพูดว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ทั้งนั้ น, นคือสายปฏิจจานมันจบที่ทุกข์ใช่ไหมนะ ชาติก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดแล้วก่อนเกิดชาติเกิดมีอะไรมีภพแล้วพูดว่าภพเป็นเหตุให้ทุกเกิดได้ไหมก็ได้เพราะทุกเสร็จแล้วมันต้องชาติแล้วมันก็ชรามันนะดังนั้นจะพูดว่าภพเป็นเหตุให้ทุกเกิดก็ได้แล้วก่อนภพอะไรเกิดอุปทานแล้วอุปทานบอกว่าเป็นเหตุให้ทุกเกิดได้ไหมก็ได้ทุกสายปฏิจจาร้ายไปถึงอวิชชาก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดใช่ไหม พรพอมีวิชาแล้วปุ๊บทุกอย่างจะไหลมาตามกระบวนการแล้วก็จนเกิดทุกข์นี่ไงอ่าเข้าใจนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยเหตุเกิดของทุกข์ก็บรรยายไปได้อนเนกปริยายเหมือนกันนะเยอะมากนะอ่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> ไม่เปิดหรื อ, อย่างทําไมมันไม่ดังเป็น เ, เป็ น, เป น, เป น, เปนอันใหม่เดี๋ยวไปจ่นะฮัลโหอจะถามเถอะผู้ใหม่ด้วยนะครับก็คือว่า <c oughs> เดี๋ยวเนี้ยจะมีรัทธิแปลกๆขึ้นมาครับอย่างเช่นสายพระป่าเนี่ยเคก็จะพูดกันว่าอาจารย์ของเข้าก็ไม่รู้หนังสือก็บรรลุได้เองอย่างเงี้ยครับ แต่การฐานะที่จะมีได้ไหมถ้าเกิดว่าคนไม่รู้อริยสัจจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหม้าเกิดว่าไม่รู้รหนังสือเนี่ยก็บรรลุได้แต่ไม่รู้อริยสัจเนี่ยบรรลุไม่ได้ใช่ส่วนบรรลุได้ไม่ได้เนี่ยถามว่าใครเป็นคนตัดสินนะมันตัดสินกันเองทั้งนั้นนะอ่าถ้าตัดสินกันเองไงก็ใช้มาตรฐานในการตัดสินผิดอีกด้วยนะอ่าดังนั้นเวลาเราบอกใครบรรลุเนี่ยเราก็ตัดสินเองต้องต้องตัดสิน เอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินอหยมลองนึกสักคนนะบอกคนนี้บรรลุโยงอะไรมาตัดสินอ๋อเขามีคนไปนับถือมากอ๋อเขามีชื่อเสียงเขามีลูกศิษย์มากตกลงอะไรคือเกณฑ์และอะไรคือเกณฑ์ที่ศาสดาเราได้บัญญัติไว้ว่านี่คือการบรรลุน่ะอะ่มันเกณฑ์วัดคนละเกณฑ์นะเราจะเอาได้ยังไงในครั้งพุทธกาลน่ะปฤกษาชันทั้งหลายเขาบอกเขาบรรลุทั้งนั้น น, ะน่ะนะตกลงแล้วใครบรรลุจริงแล้วถ้าทุกคนประกาศอย่างเนี้ย และยมจะเชื่อใครเดินออกป่าไปปุ๊บเจอนี่นั่งอยู่ใต้โคนไม้ก็บอกบรรลุแล้วอันนี้ตั้งนั่งอยู่ในถ้ำบอกบรรลุแล้วแล้ะยมเชื่อใครอะ่ะนี่แหละถึงต้องมีการปราบวาทะกันนะปริพาชคทั้งหลายก็โต้วาทะกัน้พวกที่บรรลุบอกสิคนร้อยคนก็โต้กันเองเถียงกันเองอยู่ในป่ายมเดินไปในป่ายมก็เห็นในสมณพราหณ์ล้มวาทะกันเต็มไปหมดเลยตกลงแล้วใครบรรลุ ใช่ป่ะที่นี่ที่นี่ะพระพุทธค์ก็ยืนยันเองใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าโสดาบันเนี่ยต้องเห็นหปฏิจจสมุปบาทเลยใช่ไหมหครับก็เห็นผมจะเห็นพระสูตรหนึ่งฮะที่พระอ น, นุนบอกว่าอัศจรรย์ยิ่งพระเจ้าข่าอัศจรรย์ยิ่งปฏิจจสมุปบาทนี้แม้จะเป็นธรรมมันยา ก, กอลึกซึง้งแต่ก็เป็นสิ่งง่ายสําหรับข้าพระองค์พระพุทธเจ้าก็เลยเตือนว่าอย่าประมาทครับเพราะว่าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทจึงพันยุ่ง อ, อ, อ, อสัตว์จึงเวียนไหวในวัฏสงสารวสุตินี้ก็คือยืนยันเลยใช่ไหมครับว่าต้องรู้ อ, อปฏิจจาร์เพราะปฏิจจาร์ก็คืออริสัตนั่นเองนะถ้าไม่รู้ปฏิจจารสุบาลก็คือไม่รู้อริสัตสีนะนะปฏิจจารสุบาลนี่คืออริสัตสีในส่วนข้อที่สองกับข้อที่สามข้อสองข้อสามเนี่ยนะเหตุเกิดสมุทัยเนี่ยเหตุเกิดโดยละเอียดพระเจ้าจะใสป่ปฏิจจารเข้าไปทั้งก้อนเวลาพระองค์พูด เหตุเกิดของทุกข์คือตัณหาเนี่ยท่านหยิบสายปฏิจจามาแค่อันเดียวไงแต่เวลาจะหยิบทั้งก้อนก็คือใส่ทั้งก้อนไปเลยตั้งแต่เพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายพรอมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไล่มาจนถึงชาติชราหมอนะแล้วสายดับก็จะใส่ทั้งก้อนเข้าไปอย่างนี้คือถ้าอย่างนี้สดาบันเนี่ย <c oughs> เห็นเทปเก่าพระอาจารย์นะครับ <c oughs> บอกว่าเห็นสายอะไรนะปฏิโลมันุโลมเนี่ยคืออาจจะเห็นทั้งสายหรือว่า แบบแค่กลางๆสายก็ได้ใช่ไหมครับคุณเจ้าบอกว่าเราเห็นสายปฏิจจะเนี่ยสายได้สายหนึ่งโดยนัยยะอริยสัจสก็หลุดพ้นได้เช่นอะไรเช่นเห็นเวทนาโดยนัยยะอริยสัจสีเห็นยังไงรู้จักเวทนาไหมอาตมาถามโยมรู้จักทุกไหมเคยสุกไหมเฉยๆเคยใช่ไหมเนี่ยเวทนาแล้วรู้จักเหตุเกิดมันไหมเนี่ย ใช่ไหมคนคนนั้นต้องรู้ว่าเอ๊ะ ก, ก่อนสุขเกิดอะไรเกิดนะเขาก็รู้ว่าอ๋อเมื่อกี้ไปได้ยินคนนินทาอ๋อเมื่อกี้ไปเห็นบ้านสวยๆใช่ไหมอ่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงภาษานั่นเองเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นเขาต้องรู้ไงว่าเหตุเกิดของเวทนาคืออะไรและความดับของเวทนามีไหมเขาต้องรู้เวทนาเนี่ยดับไปได้ และเขาต้องรู้อุบายเครื่อนออกไปพ้นจากเวทนานั้นคือมัคคิโยงแปดหรือสินสมาธิปัญญานี่เรียกว่าเป็นการเห็นเวทนาโดยนยัยะอริสสัตถีนะตัณหาก็เหมือนกันอุปทานก็เหมือนกันภาษาก็เหมือนกันทุกอย่างในสายปฎิจักถ้าเห็นโดยนยัยยะอริสสัตถีหลุดพ้นได้หมดก็จะมาอ่าเป็นอย่างนี้อทีนี้เนี่ยทีนี้สายสายพวกเนี้ลัตทีแปลกๆนี่เขาจะบอกว่าอื่อพวกฝุดตาเยอะฟุ้ง เวลาภาวนาแล้วฟุ้งทาไม่ได้ไงพระพุทธเจ้าสั่งเสริมคนมีสุตตะเยอะว่าไงฮะอย่างพระอนนท์อย่างเงี้ย mm hmm. บอกว่าอะไรนะปฏิจจสมุปบาทง่ายแก่ข้าพระองค์อย่างเงี้ยสิ่นี้มีประสูตไหมคหรับแบบคนจําเป็นต้องมีสุตตะในการที่จะบรรลุธรรมคือเวลาเขาพูดอย่างนั้นนะถามว่าคําเนี้ยเป็นคําที่พระเจ้าพูดหรือเปล่าไม่ใช่ใชตัวเองพูดเองไง ตัวเองพูดเองแล้วก็มายืนยันว่าสิ่งที่พูดเนี่ยหรือสิ่งที่ฟังมาจากใครก็ไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องมาดูผู้เจ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องสุตตานั้นสุตตานี่อันดับแรกเนี่ยคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำตถาคตเลยเนี่ยหลุดพ้นไม่ได้แน่นอนนี่คือเบื้องต้นศูนย์เลยน้อยสุดคือไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะเรียกว่าปุรุชนผู้มิได้สดับในธรรมคือไม่เคยฟังธรรมเลย ธรรมะคือของพระเจ้านะไม่ใช่ไม่เคยฟังธรรมเลยแต่ฟังธรรมปริภาโชคอะไรนี่ไม่เกี่ยวนะคำของเระาถากถถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยไม่มีทางนะถ้าเคยได้ยินได้ฟังนะแม้สักครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นผู้ได้สดับปุทุชนผู้ได้สดับขยับขึ้นมาแล้วอีกชั้นหนึ่งซึ่งสามารถบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาตามแต่อินทรีย์ของเขานะถ้ามากอินทรีย์มาก อย่างภายะฟังครั้งเดียวบรรลุธรรมเลยอินทรีย์น้อยก็ฝึกฝนไปตามลำดับท่นี้ขยับขึ้นมาได้ฟังได้ฟังขนาดไหนนะหนึ่งบทก็ได้นะตัดกับคำมินีจงทำไมผู้เจ้าต้องแสดงธรรมกับริ้ภาชกบอกว่าแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานนะดูเรื่องสุตตานะ อันดับแรกคือไม่เคยฟังเลยเนี่ยไม่มีทางหลุดพ้นขยับขึ้นมาต้องได้ฟังก่อนนะขึ้นมาเป็นปนดดุถุชนผู้ได้ศึกษานี้ได้ฟังมากน้อยขนาดไหนน้อยสุดหนึ่งบทนะแต่ถ้ามากล่ะ <c oughs> มากพระุทธเจ้าบอกว่าชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมอาวุธไม่มากใครมีสุดตะมากมีอาวุธเยอะในการปราบประหารกิเลสข้าศึกเห็นไหมต้องฟังตถาคตอย่าไปฟังกคน น, น้อยคนนี้หรือไปพูดแต่งขึ้นมาว่าสุดตะไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้หรือดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ คุณต้องยกคําตถาคตขึ้นมาบอกให้ได้ว่าตถาคตพูดเกี่ยวกับสุตตะว่ายัางไงใช่ไหมอ่าทีนี้อ่าสุตตะมากและสุตตะมีอะไรอีกเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนในสิองขั้นตอนนี้ถ้าใครจําไม่ได้เลยเนี่ยศูนย์เนี่ยก็รู้ธรรมะไม่ได้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ เงียสงบลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้นี่ไงทรงจำธรรมนั้นไว้ไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เห็นไหมเนี่ยสามข้อนเนี่ยตรงกลางกลางสายของ11ขั้นตอนเน่ยนะอนะ่าสิขั้นตอนของการรู้ตามซึ่งเสถธรรมเนะี่ยการทรงจําต้องมีนะแล้วเอาไปไข่ควรและวธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์โยมจะไข่ควรอะไรเนี่ยโยมไข้ควรในใจใช่ไหมใจเป็นคน ประมวลผลต่างๆถ้าโยมไม่มีอะไรที่อยู่ในใจเลยจําได้สักข้อหนึ่งโยมจะเอาอะไรมาประมวลผลในใจไม่มีหรอกทำไม่ได้อย่างน้อยจึงต้องจําได้แม้เพียงหนึ่งบทนะหนึ่งบทอะไรบ้างเช่นสติต้องรู้ว่าสติคืออะไรหรือว่าอานิจจังหรือว่าอนิจนจังคืออะไรอ๋อทุกอย่างไม่เที่ยงนะพระเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดมีจิตฝังหรือปักลงไปอย่างติดต่อสม่าเสมอไม่ขาดตกบกพร่อง ในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำพ้นที่เขาหวังได้คือพระอรหันในปัจจุบันเห็นนะตัวเดียวก็ได้นะเพราฉะนั้นเวลาคนที่ปฏิเสธสุตตะเนี่ยไม่เข้าใจคําว่าสุตตะไม่เข้าใจความสําคัญความหมายโดยนัยที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้เข้าใจมจริงจริงมีอีกเยอะมากมายเลยเรื่องสุตตะนี่เยอะมากนะนะจริงจริงลับทิพวกที่นี่ก็คือเขาจะเอาท่านพระอิยะเป็นโมเดลอะครับก็คือว่า เขาบอกว่านี่ไงท่านพายะฟังธรรมอย่บทเดียวเนี่ย<อ>รู้เลยเพ<อ>ราะฉนั้นว่าเขาจะมองว่าการความอยากบรรลุธรรมเนี่ยเป็นกิเลสเพ<อ>ราะฉนั้นไม่ต้องทำมรรคก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าตัดนิโรธก่อนมรรคก็แบบว่าทำนิโรธเลยอย่างเงี้ยคือผมก็มงมงๆไม่สู่ว่าคิดอะไรของเขาเไม่ใช่ เ, เขาสับสนหลายอย่างนะเรื่องนิโรธก่อนมรรคนี่ก็ไม่ไม่ใช่อีกนะเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวที่จะจะอธิบายนะ นะทุกสมุทยัยนีิโรธมรรคเนี่ยเรื่องนิโรธตรงนี้ไม่ใช่ว่ารู้แจ้งก่อนแล้วมารู้มรรคเนะี่ยต้องรู้มรรคก่อนนะนิโรธคํานี้มันมีสองนัยยะนะนี่คือความที่ไม่ไม่เคยสดับในคําของตถาคตนี่จะเดาเองตลอดเลยนะคนพวกนี้จะเดาเองตลอดแล้วก็เดาเหมือนจริงด้วยนะแล้วก็บอกคนอื่นต่อให้เข้าใจผิดกันไปอีกนะเดี๋ยวดูนิโรธเนี่ยนิโรธมันมีสองนัยยะอย่างนี้ น, นิโรดนัยยะแรกเนี่ยคือความดับแห่งขันทั้ง5นี่คือนัยยะแรกนะต้องรู้ว่าขันทั้หเนี่ยมันดับไปได้นะและนิโรดนัยยะสองคือวิมุตต์นะดังนั้นจะจะไปเจออริสที่จัดมรก่อนแล้วก็นิโรดทีหลังก็มีทุกสมุทัยมรคนิโรดนะถ้าเอามาเรียงกันทั้งหมดก็คือทุกสมุทัยนิโรดมรกแล้วก็นิโรดอีกทีนะอ่านั้น เขาเขาไม่ทราบพระสูตรของพระเจ้าโดยนัยยะที่ละเอียดแล้วก็เอาไปพูดต่อมันจะทำให้ให้เข้าใจผิดแล้วก็สับสนกันส่วนนัยยะของพายยะเนี่ยนะเพราะเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้านะซึ่งคนทุกคนไม่ได้มีอินทรีย์แก่กล้ากันทั้งหมดนะและภายใต้อินทรีย์แก่กล้านั้นเนี่ยโพชฌงเจตหรือการเดินมากก็เดินภายใต้เวลาที่รวดเร็ว ต้องเดินมัดเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เดินมัดทุกอย่างเดินมัดเนี่ยต้องเดินทางนั้นแต่จะเดินในเวลาอันรวดเร็ววินาทีเดียวกระพริบตาเดียวหรือว่าก่อนตายเจดชาตินะหรือกี่ชาติเราว่ากันไปแต่ต้องจเจริญมัดทางนั้นน ะ, ะเนี่ยเราต้องเข้าใจรายละเอียดพวกนี้ดัง น, นั้นเวลาฟังคําใครเนี่ยคำนั้นเนี่ยผู้เจ้าพูดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยตัดไปก่อนถ้าไม่ตัดไปเราเอาสิ่งนั้นมาไข้ควรนะ มันจะงงเพราะเราไปคิดเสียแล้วว่าคำนั้นคือถูกอุ๊บเราจะพยายามโยงตักกะให้มันถูกต้องตามเนี้ยแล้วมันก็จะไม่สามารถเปิดทาที่ถูกปิดได้เข้าใจไหมอืมม <laughs> ันเป็นอย่างนี้นะขอขออาสคุณพระอาจารย์คืออ่าโยงเนี่ย วันนี้ตั้งใจมาจะมาขออซีดีกับหนังสือเพ่จะกลับไปที่เอที่อเมริกาค่ะอเพราะที่อยู่แถวนั้นคือมีอยู่สองวัดค่ะที่อยู่ไปใกล้บ้านไปได้แต่คือตอนนี้โยมไม่อยากเข้าวัดอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างนี้ค่ะไม่ใช่อย่างที่ออย่างที่พระอาจารย์เอาเอาพุทธมุตนะมาสอนว่า เอาวัดที่โน่นก็คือยังแบบปฏิบัติแบบอย่างเดิมอยู่ค่ะคือโยมอยากจะได้เอ่อซีดีแล้วก็หนังสือหรืออะไรก็ได้ค่ะที่อยากจะไปเปลี่ยนความคิดท่านชอวัดที่นู่ไม่หนูนะไม่หนูงันแต่ได้เอาไปได้ตามสบายเลยคือตั้งใจจะมามาขออย่างนี้คือจะจะเปลี่ยนทั้งสองวัดเลยค่ะเพราะ อยากให้เจ้าบ้านได้ยินโยมพูดอย่างนั้นนคือตอนนี้ก็คือไม่อยากจะเข้าวัดนะค่ะก็เพื่อนก็ถามว่าเอ้ยทาไมไม่ไปทําไมทําไมไม่ไปวัดเลยตอนนี้มีอะไรมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้พยายามจะบอกเขาที่เข้าไปเซตไซอะไรอะไรพราก็หาว่าราเทียนก็เลย ไม่รู้จะยังไงโอเคก็เลยตัดสินใจมาบางไทยค่ะคือจะมีอะไรขนไปได้ก็จะขนไปค่ะได้ได้ได้ไม่มีปัญหาขนไปได้เยอะ ๆ, ๆเลย <laughs> มีคนช่วยขนละ <laughs> ประหยัดค่าขนส่งนะไร่ <laughs> ใช่ นี่ก็จดหมายจากเยอรมันก็คล้ายๆโ ย, ยมกันนะเาจดหมายมาอยากนิมนต์อาตมากับพระไปที่โน่นนะแล้วก็บอกเนี่ย <c oughs> อ่าเขาบอกคล้ายๆโ ย, ยมเขาช่วยวัดมาเป็นยี่สิปีแล้วมั้งเนี่ย เขาบอกเกิบ20ิปีที่หนูไปคุกคีกับวัดช่วยส่งเสริมกิจกรรมและมีหน้าที่ต่างๆได้เก็บภาพรวมหรือซึมซับเรื่องต่างๆไปในตัวรู้สึกอึดอัดมากแต่พูดหรือทำอะไรไม่ได้มีแต่ลุงจิตอันบอยสุดได้แต่อธิษฐานขอให้ได้พบพระธรรมอันบอยสุดสูงสุดงดงามยิ่งและได้ศึกษาก่อนชีวิตนี้ธาตุันจะดับลง <laughs> ได้แต่ทาใจ ทำใหมอค่ะพอทีนี้มันพอรู้เข้าอะไรมากๆก็ทำใจได้แล้วอ่าท่ากวัดอย่างเงี้ยแลพ่อเแบบโอยเอาน้ำมนต์มาสาดป็นลูก่เป็นไข้เป็นหนาวกันไปเป็นหนาวคนๆไปเลยนะเนี่ยความเชื่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะไม่ต่างกับไฟศักดิ์สิทธิ์นั่นเนี่ยเป็นทุกวัน บอกหลวงพ่อก่อกองไฟด้วยก็ได <laughs> ้ทั้งที่นที่ที่อยู่อะค่ะคนลาวเขากเยอะเขาก็คนลาวแต่เขาก็ยังจะเชื่อแบบเดิมๆอยู่นะคล่อล ข, ข อ, ข อ, อขอเป็นอะไรอะเป็นอะไรก็ได้ที่จะผูกิดในรถมางจะอะไรมากผ้าป้ายที่มีอะไรอะอ็อวังหลออะะอ่า ก็เข้าใจผิดคิดว่าความเป็นมงคลเกิดจากวัตถุต่างๆเนี่ยมันต้องแก้นะต้องแก้เพราะนี่ไม่ใช่คสสําสอนศาสนาเราเลยและผู้เจ้าเนี่ยใช้ชีวิตเรื่องชีวิตเนี่ยสู้เรื่องนี้มาตลอดใช่อหม แ, อแต่เราไม่ร่วมสู้กับผู้เจ้าเลยแล้วปล่อยให้พวกนี้มาเดินอยู่ในวัดแบบกรงอาสนหาผ่าเผยบอกว่าเป็นคําสอนของศาสดานะ เป็นความเป็นมงคลต่างๆมากมายนะแล้วก็คุ้มครองปกปกักรักษาเราได้เราลืมเรื่องกรรมที่พระศาสดาบัญญัติกรรมทางกายวาจาจิตทุกคนลืมนะตกมลงพระศาสดาก็บัญญัติผิดหมดนะ เ, เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> นเขาบอกทุกอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อได้ฟังพุทธเจนะ กาจิังหนูไม่กล้าเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือทาหน้าที่ต่างๆที่ทำมายาวนานนั้นได้อีกต่อไปนะคือมันหมดราคาไปเองนะผู้เจ้าก็จะเรียกว่าต า, าริธิจารยานุ ต, ตริยเนี่ยนะนะก็คือการบำรุงในสิ่งที่ถูกนะนั้นถ้าเราไปบำรุงสมณพาพ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิด นะผู้ชาก็บอกเป็นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปริชชนไม่ประอกอบเพื่อประโยชน์อย่างนี้พรมองค์ก็ตัดไปแล้วนุตริยะ6ประการการได้เห็นได้ฟังนะได้เข้าไปศรัทธาไปศึกษาไปบำรุงนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ย น, นุตริยะ6ประการนะการได้ไปเห็นได้ไปฟัง ได้ราบหรือได้ศรัทธาได้ศึกษาได้บำรุงได้ระลึกถึงสมณพราณ์ผู้เห็นผิดผู้ประพฤติปฏิบัติผิดนะผู้เจ้าบอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความใคร่กำนัดเพื่อความดับเพื่อความสมบงบประนับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อแต่สรุปเพื่อนิพพานนะเพราะสิ่งพวกนี้มันจะเจริญขึ้นมาเรื่อยๆโยมไป วัดก็ไปเสียงเซมซีตลอดน ะ, ะไปบนขอล่าบผลต่อเทวดาบูงสวงตลอดแก้บนตลอดสิ่งพวกนี้ก็ยังดำรงอยู่ได้เพราะมีคนไปสนใจและคนที่ทำก็ยังจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิไปตลอดเขาจะคิดไหมว่าเขาจะต้องกลับมาประพฤติกายวาจาจิตให้มันสุดจริตกายสุดจริตวจีสุจริตมโนสุดจริตอันเป็นไปพร้อมเพื่อความพ้นทุกข์ เป็นไปพร้อมเพื่อการได้เอกราบนะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสีงสงสยงทุกอย่างต้องสร้างมาจากตรงนี้แต่เขาจะไปหวังวัตถุพิ่งวัตถุภายนอกหมดเลยนี่เป็นความเข้าใจผิดโดยที่ผู้เป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคต <c oughs> ก็ดันไปสนับสนุนด้วยนะก็ผิดตามตามตามตา ม, ตามไปหมดเลยเห็นไหมตกลงลว่าเขาไม่ได้เป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตเนี่ยเขาเป็นทายาทแห่งธรรมะของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น นะอ่าดังนั้นเวลาเราพูดเนี่ยเราไม่ได้เกียรติพระกอพระขอนะเราบอกว่าอ่าวัตรละข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะแค่ช่วยเอาออกไปหรือแยกแยะให้ชัดเจนว่านี่ของพระเจ้านี่ไม่ใช่แล้วถ้าเป็นวัดในพุทธศาสนาก็ไม่ควรจะมีวัตระนะของสมาพานธเราอื่นเข้ามา ป, ปักปนทําให้เกิดความสับสนในหมู่ชาวพุทธว่านี่คือคําสอนของศาสดา ในศาสนาพุทธอย่างนี้มันต้องแยกแยะไงนั้นถ้าเราไม่แยกแยะลูกหลานเราก็จะจำผิดกันไปเรื่อยนะ เ, เป็นอย่างนี้พระอาจารย์ครับของการริบครับมีเรื่องที่มันค้างอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเกี่ยวกับบยัญชนะของพ่านุรเจ้าซึ่งยังมีความไม่ค่อยออกเกีเ่ยวกับเรื่องของพระสูตรที่ว่า ปกคลพูดบรรลุเนวสัญญาณนะสัญญาญตนะนก็คืออะไรนนะคือร่วมบรรลุถึงสังขาราวัสิศษสสมาบัติซึ่ง <c oughs> ซึ่งซึ่งคาววันนี้ตีความจะตีความไม่ค่อยออกแล้วก็ไปค้นคว้าดูแล้วก็คววกเคยกลับยาพระอาจารย์ว่ า, าไม่พบในพระสูตรอื่น อยังคงครบถ้วนที่สุดดีที่สุดอย่าก็เป็นคำที่ไม่ได้พระเจ้าผมไม่ได้ไม่คยได้ใช้เท่าไหร่พราะว่าปัญหาว่าตีความว่าตรงนี้มีความหมายว่ายังไงอผมก็ก็คิดอยู่นานนะครับเพราะว่าที่มันเป็นสามคำที่มาเชื่อมกันก็คือสรรพาคําต้นสมบัติคําท้ายตัวกลางเนี่ยถ้าตัดมาตรงนั้นก็คือวเสสะอแต่วะเสสะเนี่ยหาไม่ได้ไม่มีความหมายอะไรออื ผมก็ไปนึกถึงพอดีไปนึกถึงกค็คนอยู่สภาก็ไปนึกถึงบทปฏิจจสมุปบาทสายดับที่ว่าอภิชาจะ เ, เตวะอเศยสะวิราคนิโรธาเพราะความจางคายดับสิ้นไปโดยไม่เหลือแห่งอภิชานั้นดั่เที่ยว น, น, นั้นคำว่าอาเศยสะก็คือไม่เหลือกับตอนนี้ อาศศาสรไม่เหลือเนี่ยถ้ามาใส่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยสังขารอาศรราัยศาสตแล้วก็สมาบัตอิอมันก็คือว่าสมาบัติที่สังขาร น, นําไม่เหลือก็ไม่น่าจะใช่ออือเพราะสมบัติยังไงสังขารก็ต้องเหลืออยู่ อ, อนั้นก็เลยมาดูคําว่าอาศรราัยศาสรเนี่ยมาตัดคําว่าอ่อออกเนี่ยเหลือคําว่าเศษะสสศศศต่อเนี่ยก็มีความหมายฮะแปลว่ายังเหลืออยู่หรือที่เหลืออแปลว่าที่เหลือแต่ว่าในหลักของ คำบาลีซึ่งมาสมที่สมาบักันแล้วจะแผงเป็นวแวนอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบก็ไม่แน่ใจก็พอดีเป็นนึกถึงบทอีกบทหนึ่งก็คือบทกับพลีกาลลาหานซึ่งพูดถึงการฝ่าทางกันดาลแล้วก็มีคำมีบทพระอันหนึ่งว่ากันตาระกันตาราวเสสังแปลว่าทางกันดาลที่ยังเหลืออยู่นันแลว่าเอากันดาลกันตาระกันกัดาลมาบูกกับเสสะ ก็เป็นอีโบแหวงเข้ามาอีตัวนึงเป็นกันตาราวเสสะดังนั้นสังขารมาบวกกับเสสะก็เป็นสังขาราวเสสะสมบัติก็เลยได้ข้อสุดตรงนี้ก็ข้าสุปก็คือว่าเป็นสมบัติที่สังขารยังเหลืออยู่แอ่ที่เี้าที่หัวสุดได้ตอนนี้นะครับเป็นแต่ก็สุดได้ครับแต่ทศนี้เขาก็ยังมีปัญหาต่อยละครับเพราะว่าอในวสัญญานาสัญญายตนาเนี่ยที่จริง สัญญาก็จ ะ, จะว่ามกกีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ uh huh. แต่เวทนาก็ยังมีอยู่ uh huh. อ, อ ม, มันก็เลยบ่าเอสมั น, มนสังขารจริงมันก็ยังไม่ดับในแม้กระทั่งในสัญญาเวทยิบที่โรดอะไรย่งไม่ดับเสังขารก็ยังไม่ดับ uh huh. uh huh. สังขารก็ยังเหลืออยู่ปกตินี่มันใ น, ในสมบัติทุกขั้นตอนเนี่ยพระเจ้าจะพูดในแง่เป็นรูปของสัญญา อ่าฮะแต uh huh. แต่พอใช้คํานี้เนี่ยเป็นอธิบายเรื่องของสังขารอืม uh huh. uh huh. ตัวตัวเนี้ยมันเป็นตัวพิเศษที่มันพูดพูดได้ทั้งสองอันเลยเพราะว่ามันมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่คือมีบ้างไม่มีบ้า ง, า ง, างอย่างเนี้ยนะอ่าจะมีพระสูตรที่พระเจ้าบอกอันนี้ก็ยังจัดเป็นสัญญาอยู่ oh. ครับนี่ก็อันหนึ่งครับแต่มุมที่มันไปเหมือนกับสัญญาเวทิตก็คือ มันจะใช้การเข้าการออกการเข้าการออกเนะี่ยถึงจะถึงจ ะ, ะบรรลุได้ <c oughs> ซึ่งซึ่งไม่ได้ใช้เหมือนกับเจ็ดสมาธิขั้นต้นน ะ, ะซึ่งต้องใช้การเห็นการเกิดดับขันทั้งห้าหรือขันธ์ทั้งสี่แต่ตัวนี้สองตัวท้ายเนี่ยแปดกับเก้าเนี่ยใช้การออกการเข้าพอดี <c oughs> ถ้าเป็นเป็นเนืสัญญาณสัญญาเนี่ย จริงยังมีเวทนาอยู่เวทนาก็ยังเหลืออยู่แต่คําว่าสังขาราวเสสะสมบัติเนี่ยพูดว่าสังขารยังเป็นสมบัติที่สังขารยังเหลืออยู่ครับก็เลยยังอาจจะยังงงนิดแต่ว่าคือหมายของบัณฑนาพยัญชนะคิดว่าน่าจะเป็นสรุปอย่างนี้เป็นเป็นสิ่งที่ใช้ได้เพราะว่าคําว่าสังขารตรงนี้มันใช้ได้หมดเนี่ยสังขารยังเหลือคือตัวที่ที่มันปรุงแต่งอย่างในตัวสัญญาเวทิตก็ได้ หรือจิตที่เข้าไปปรุงเวทนานิดเดียวเนี่ยก็เป็นสังขารได้เป็นจิตตสังขารได้เป็นจิตสังขารที่ปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณนะนะหรือปรุงแต่งอารมณ์นั้นเนี่ยดังนั้นไอ้ตัวที่มันไปปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆมันเรียกเป็นสังขารได้หมดเหมือนกันอย่างนี้หรือตัวมันปรุงแต่งตัวมันเองก็ถูกเรียกว่าสังขารได้เหมือนกัน ก็ก็น่าจะมีส่วนใช่ก้อนข้างมาลองอบันทึกเหตุผลนี้เอาไว้นะแล้วก็ในโอกาสหน้าถ้ามันเจออะไรมาสนับสนุนอีกมันก็จะจะแน่นขึ้นนะจะได้ไม่ไม่ต้องหาอีกเยอะส่วนเรื่องส่วนเรื่องตี่งเน้นเดี๋ยวผมขอเวลารวบรวงให้เรียบร้อยก่อนครับแต่ในเบื้องต้นก็คิดว่า น่าจะไม่ใช่คำพระพุเจ้าด้วยฮะือะพุทเจ้าก็ไมได้ใช่เพราะที่คนที่เราเจอจังๆว่าพระเจ้าใช้สาวพุทธตังค์ข้านี่ยังไม่เจอเลยฮะอก็คือจะกล่าวเต็มๆไปเลยครับุดงนี่เราอาจจะเป็นเรื่องคนมาแต่งมาภายหลังอ่อเป็นคำเรื่องเป็นเรื่องการเดินกางกลุมนี่ไปตกลจกันไปเรื่องๆนะฮะอฮะครับขอบคุณครับเป็นข้อปฏิบัติที่ ขูดเก่ากิเลสนะอย่างยิ่งก็เช่นจะมีการถือผ้าบางสกุลถือผ้าสามผืนนะาการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนะการฉันอาสนะเดียวการฉันภาชนะเดียวอย่างนี้นะเป็นข้อปฏิบัติที่มันตามได้ยากอยู่เป็นไปเพื่อการขูดเก่ากิเลส ก็มีจดหมายจาก <c oughs> ในหมู่ทหารนะในทหารพันโทท่านหนึ่งนะพันโทกัมบันนาที่เป็นลูกของพลเอกวิรยุทธ์อินวั์สาเนี่ยนะเขาก็เขียนจดหมายมาว่ า, เ, าเขาแนบจดหมายมาให้ว่าจดหมายแผ่นนี้น่าจะมีประโยชน์นะ ก็เลยแนบจดหมายตรงนี้ซึ่งเป็นจดหมายที่ลูกน้องของคุณพ่อเขาเนี่ยเขียนมาขอบคุณคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาผลเอกบิรยุทธ์อินวสาเนี่ยตอนนี้ก็กเกษียณนแะล้วลูกน้องเขาต อ, ตอนนี้อายุประมาณแปดสิบนะคุณพ่อก็คงจะใกล้เคียงแปดสิบนะหรือว่าแปดสิบกว่าก็ไม่รู้นะก็เนื่องจากคุณพ่อเขาเนี่ยให้ ให้หนังสือพุทธวจนะไปให้กับลูกน้องข้าคนนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอยู่ศูนย์การทหารรามด้วยกันแล้วก็เลย เ, เขียนจดหมายมาขอบคุณพลเอกวิยุทธ์อินทวสาว่ากราบเรียนท่านผู้บัญชาที่เคารพอย่างสูงนะกระผมขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากที่ได้เมตตาส่งหนังสือพุทธวจนะพร้อมทั้ง D ีวดีกระผมทราบซึ่งในความเมตตาของท่านมากจะ ทรงจำพระคุณนี้ไปตลอดชีวิตและไม่สามารถจะหาสิ่งตอบแทนใดๆในโลกนี้นะเราผมจึงคิดเอาเองว่าน่าจะมีสิ่งที่พอจะตอบแทนพระคุณได้บ้างเพียงเล็กน้อยคือปฏิบัติตามธรรมะที่ท่านได้ส่งมาให้อย่างเคร่งครัดนะและมีความเพียรที่จะฟังจดจำและทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดปฏิบัติตามธรรมะนั้นอย่างถูกต้องเคร่งครัดต่อไป เราผลได้นำดีวีดีทั้ง3แผ่นเข้าเครื่องความและถ่ายทอดเสียงเข้าเมมโมรี i ไมโครชนิด2 g งกิกนะจำนวน14แผ่นและซื้อเครื่องขยาย h i ไฟ s p e เกอร์ Hi อีก14เครื่องแจกหลานๆและผู้ที่รักสุขเกลียดทุกข์ที่พอจะพิจารณาว่ารับธรรมะนี้ได้และได้สั่งซื้อเครื่องขยายนี้อีกเพื่อเผยแผ่ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังอยู่ สำหรับหนังสือพุทธวจนะสามเล่มกับดีว3ดีแผ่นนั้นกระผมได้ให้พระหลานชายที่ท่านลาบวดแล้วไม่ศึกเช <c oughs> ่นเดียวกับท่านพ่อจานท์คึกฤทธิ์ท่านอยู่ที่วัดคลองเดือตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อท่านได้เผยแผ่พุทธวจนะต่อไปที่กระผมได้เล่ามายืดยาวนี้ก็เพื่อให้ท่านได้ทราบว่าหนังสือที่ท่านได้ส่งมาให้นั้นไม่สูญเปล่า เราผมได้ทำประโยชน์ให้ตามที่ท่านปรารถนาดีนะเหตุที่ผมตอบราชา้าเพราะผมต้องการจะอ่านจะฟังทำความเข้าใจให้ได้อย่างถูกต้องนะแผมจำได้ประมาณ 50% สเซส่วนที่สำคัญมากๆเช่นอริสัต4สติปัฏฐานสี่ปฏิจจสุบาศสกายทิทนะิสุดท้ายขอ บารมีคุณพระศรีรัตน์ตายได้ปกป้องต่นและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเทินนะก็จากบุญนาคชมกลิ่นนะเป็นปันเอกน ะ, กะเกษียณแล้วปัจจุบันอายุ80เสเศษนะก็คงจแก่ๆ ก, ก, กันแล้วด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็แต่ก่อนก็ ท่านก็เขียนจดหมายมาบอกแต่ก่อนก็เคยสวดคาถายอ ด, ดทิตจังหลายเดี๋ยวนี้เลิกหมดจินตปัญจพรพาุงอะไรแต่อะไรก็มาสวดปฏิจจสุบาติอย่างเดียวอย่างที่พระศาสดาสาธยายแล้วก็เลิกหนังสือเก่าหมดนะเคลียเวลาเหลือน้อยแล้วนะต้องการความจริงนะ อ, <c oughs> อันนี้พระท่านนำมาให้เมื่อสักครู่นะอ่า เป็นจดหมายที่ท่านคิดว่าอาจจะได้ประโยชน์ต่อญาติโยมนะส่งมาจากประเทศพม่าจากทะเลสาบอินเล่ประเทศพมา่ า, ก, า, มรมากราปเรียนอาจารย์และคณะสงฆ์ที่กรบยิ่งได้ติดตามการฟังพุทธวจนะจากพระโอษฐี่พระอาจารย์นำมาแสดงตลอดมาขณะที่อยู่เมืองไทยใช้กายเป็นวิหารธรรมโดยอยู่กับลมหม่ใจเข้าออกและละนันทิ ตอนนี้มาเที่ยวพมา่านั่งเรือชมทะเลสาบอินเลแต่ก็ทำอนาปานาสติตลอดเวลา <c oughs> การเที่ยวจืดมากราะหว่างความพอใจในโลกแต่จเจริญทางธรรมแทนอยากกราบขอบพระคุณพ้าจารยนนะจากมณีรัตปิตรังสีจังหวัดตราดนะนี่ก็ส่งมาให้ทราบ อันนี้จากย่างกุ้งประเทศพมา่านะประเทศเดียวกันมาสองจดหมายเลยนะ <c oughs> หรือว่ากดเดียวกันนะเ <c oughs> มื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักคำสอนจากพระโอษฐ์ที่พระอาจารย์นำมาเทสนาบอกสอน <c oughs> สัตว์ผู้มีวิชาตัวนี้ก็เหมือนท่อนไม้ที่โยนกลางอากาศ <c oughs> บางคราวออาคนลง <c oughs> บางคราวเอาท่อนกลางลง <c oughs> บางคราวเอาปลายลง <c oughs> เาจะใช้คำพระาศาสดาแล้วนะแสดงว่าสั่งสมสุตตะมาไม่นะแต่เมื่อได้สดับคำของพระบรมศาสดาและจับหลักได้ก็คือทุกนาทีที่มีสติอยู่กับกายกายยคตาสติธรรมะบทเดียวและบทเอกทำให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจและพร้อมเสมอเมื่อกายแตกดับจะอยู่กับลมหายใจมีสติ มีสัมปชัญญะจนลมหายใจสุดท้ายการมาเที่ยวครั้งนี้ไม่สนุกสนานเหมือนก่อนแต่สุขลึกๆเพระละนันทิและความเพลินตรงคำสอนกล่องพระพุทธองค์ฝานะระราจานที่ขาลบจากผู้ไม่ต้องการการเกิดอีกนะจากจังหวัดตราดนะี่ก็มี ผู้ชมออนไลน์อยู่3ามร้อยเสาสถานที่นะจากไทยลาวบูนายฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียสวีเดนแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรเรลียอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรสอิสราเอลจากครุงเทพก็ถามว่าวันอุโบสถได้กับวันพระใช่หรือไม่นะ <c oughs> ยิงเคย อธิบายตรงนี้ไว้เยอะอยู่ในเรื่องอุโบสถก็คือมันเริ่มจากพระเจ้าปิมพิสารไปเจอปริภพาชกหน้าที่อื่นก็ประชุมกันในวันเพ็ญก็เลยมาขอผู้เจ้าผู้เจ้ากันอนุญจารแล้วก็เมื่อพระมาประชุมกันมากก็เลยเรียกกันเป็นวันพร ะ, ะพระมาประชุมกันแล้วก็ทีแรกก็นั่งนิ่งต่อมาก็เลยกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวแล้วก็ต่อมาพระศาสดาก็ปริวิตรกขึ้นในใจเองว่า ทำยังไงในวันนี้จะให้มีการสวดทบทวนศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งประมาจันเลวงก็เลยให้เอาปฏิโมกเนี่ยมาสวดในวันนี้ด้วยนะนี่ก็การสวดตรงเนี้ยสวดปฏิโมกในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันอุโบสถหรือวันที่พระมลงอุโบสถก็เลยเป็นคำว่าโบสถขึ้นมานะซึ่งจะเป็นที่ใดก็ได้กลางป่าก็ได้ ที่แจ้งก็ได้ที่ใดคณะสมฆ์เห็นสมควรก็ที่นั้นเป็นเป็นโบสถ์เป็นที่หลวงโบสถได้ทางเข้าสู่วิมุตต์ต้องใช้มรตแปดทางเดียวใช่หรือไม่บอกผู้ชาก็ยืนยันว่าไม่มีทางอื่นนอกจากตรงนี้การบรรยายธรรมฟังธรรมสาธยายธรรมคิดตรึกในธรรมเป็นทางที่จะบรรลุมรตบรรลุธรรมได้เป็นมรตแปหรือไม่เป็นพระศาสดาอธิบายแตกลูกมรตแปออกเป็น ผลทางเข้าสู่วิมุตห้าประการการคิดติดึกในธรรมทำให้เกิดปิติจิตตั้งมั่นแล้วจะบรรลุธรรมกรอนละเอียดตั้งแต่ปิติจิตตั้งมั่นรรลแล้วบรรลุธรรมอย่างไรด้วยการใดมันก็จะไปเข้าสู่อาการของโพชฌงเจตนั่นเองนะรายละเอียดอยู่ตรงนั้นเพระจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยพระองค์บอกธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏนงะ ทำทั้งหลายปรากฏคืออะไรเราจะเห็นการเกิดการดับนั่นเองนะอการปฏิบัติศรัทธาศีลสุตตัจฉาปัญญาจะบรรลุธรรมได้หรือไม่ไดนะ้ได้ทุกอย่างตามปรารถนาผู้เจ้าจะอธิบายไปหมดตั้งแต่ได้เป็นกษัตริย์มหาศาลปรามหาศาลไปเป็นเทวดานะจนกทั่งได้มาผลนิพพานปัญญาในที่นี้ต้องเข้าชาญหรือไม่ ปัญญาผู้จ้าบอกว่าคือการเข้าไปเห็นสัพจแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะฌ า, านเป็นตัวช่วยนะเป็นหนึ่งในสมาธิที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เห็นการเกิดการดับจากเพชรบูรณ์ก็ถามมาว่ากระผมถือศีลห้าตอนข้าบรรษาปี5้านะอ่านภพภูมิ ผู้ตราวนาพบปูมแล้นั่งสมาธิพิจารณาวงปฏิจจสุวัดที่เกิดเรื่อยมาที่ตามรู้ทันก็คอยดูตามไปเรื่อยเมื่อรู้ว่าเพลินก็กลับมาที่ลมหายใจหลายๆครั้งเข้าเลยตามรู้และและความเพลินบ่อยจนโน้มเข้ามาดูจิตหรือวิญญาณมันก็เกิดดับทุกครั้งที่คิดรู้สึกจิตเริ่ม ก่อนตลอดตัวตามรู้จิตคืออะไรกันแนนะ่ก็คือตัวสัตตานังนั่นเองนะขณะที่มาที่ลมหายใจก็ตกใจมากเป็นบูบและลืมตารู้แล้วว่าตัวจิตหรือวิญญาณขันนี้ไม่ใช่เราก็พยายามหาข้อมูลเรื่องนี้จนได้ฟังพระอาจารย์อธิบายเรื่องสัตตานังก็ถึงบางอวว่ารามัวทาอะไรอยู่กับการหาคาตอบในชีวิต กลับเข้ามาหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัพไว้ดีแล้วช้าไปหรือเปล่าตอนนี้เข้าใจเรื่องกรรมแล้วครับนััสการถามพระอาจารย์ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปนะก็คือตามเห็นการเกิดดับต่อไปเรื่อยๆนะต้องทําซ้ำนะถึงจ ะ, ะเข้าใจและได้ความกระจ่ า, จางคือเข้าใจแล้วชัดเจนแล้วเนี่ยก็ต้องเดินซ้ําเติมซ้ำจนกว่ามันจะเกิดนิพพิทาคือเบื่อหน่าย แล้วก็คลายความพอใจน ะ, ะแล้วก็ปล่อยวางลาจอนันตนาคนะผมได้ค้นหาการปริลิพานของพระหลานทุกพระสูตรร่วงทรงจัดว่าพิสูจน์จานวนมากเหมือนกันถ้าแม้ปริลิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพันธาดความพร่องหรือความเต็มของนิพันธาจะไม่ปรากฏใช่ แต่ไม่มีพระสูตรไหนเลยที่จัดการปริญพันของพระหันด้วยสัพพาทิเสดัง <c oughs> นั้นการผลิญพันจึงเป็นจึงควรเป็นอนุปาทิเสอย่างเดียวส่วนพระหันที่ยังมีชีวิตอยู่นะจะทรงเรียกว่าสัพพาทิเสเป็นการถูกใหม่เป็นการอธิบายพระหันในธรรมวินัยนี้นะ เราต้องไปดูอนุปาทิเสกับสุปาทิเสที่พุทธเจ้าตรัสไว้เป็นเรื่องของพิสุในธรรมวินัยนี้ทั้งคู่ที่พวกหนึ่งเนี่ยนะเวทนาเป็นของดับเย็นอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะก็คือยังรับสุขและทุกข์อยู่นะนะแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคาโทสะโมหะก็เรียกว่าสุปาทิเสนะสิ้นอาสวะแล้วเหมือนกันทั้งสองพวกในสิ้นอาสวะแล้วทั้งคู่ แต่พวกนึงเนี่ยอินทรีย์ห้ายังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัด ก, ก็เลยสวยอารมณ์มันเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่พวกอนุ ป, ปาทิเสเนี่ยน่ก็คือเวทนาเป็นของดับเจ็นในอัตภาพแล้วพระองค์ก็บอกพระองค์เป็นพระหลานประเภทอนุ ป, ปาทิเสนะนั้นถ้า อ, อนุ ป, ปาทิเสเป็นแล้วตายเลยนะ ผู้ชายตัดสรุแล้วก็ต้องตายเลยเหมือนกันนะแต่ก็ยังสามารถที่จะอบอกสอนถ่ายทอดต่อได้นะก็แค่ว่าเวทนาเป็นของดับเย็นนะจ้าชิ้งหม่พบปุ่มหน้า46กรรมบท40 ส, ส ท, ที่ตาโคตขยายออกมาจากกรรมบทสิทธิ์คือทำเองชักชวนให้ผู้อื่นทำยินดีเมื่อเขาทำ และสันเริญผู้ประธทมดังนั้นหากเรายินดีพอใจไปกับบุคคลบางพวกที่กล่าวร้ายนะที่กล่าวว่าร้ายบุคคลอีกพวกเราจะอยู่ในนรกไปกับเขาด้วยการสำรวมอินทรีย์จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้ได้ใช่หรือไม่ก็แน่นอนเนะคระับ้าไมสำรวมอินทรีย์ก็คือจะมีความเพลินนั่นเอง จาชุมบุรีบอกว่าสอบถามพระอาจารย์เป็นความรู้นะเพื่อไก่ก็คล่องใจในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแต่หาเวลาน้อยก็ไม่เป็นไรเขาถามว่าเคยได้ยินธรรมะของคนแก่ท่าว่าสักแต่ว่าเห็นศักดิ์ตะวรู้นั้นการรุลมหายใจอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ที่จะหลุดพ้นเพียงพอพูนะเจ้าอธิบายเองด้วยพระองค์เองจนกระทั่งหลุดพ้นเลย เราต้องไปอ่านคําสอนพระองค์ตรงนี้เราจะเข้าใจคือได้ยินว่ารู้ลมหายใจอย่างเดียวจิตจะได้สงบนิ่งและนั่นคือสมาธิของผู้บุษีในะสมัยก่อนที่ทากันนั่นไม่ใช่คาพระศาสดานะกลับไปอ่านคําที่ออกจากปากพระศาสดานะเนี่ยถ้ายังไปอ่านคาพวกนี้ เ, นะเข็บอกยังไม่เพียงพอต่อการหลุดพ้น ถ้าตายไปก็ได้แต่ความว่างเพราะจิตติดอยู่ในลมบ้างเพียงอย่างเดียวนี่พูดเองหมดเลยนะผลเสียของการฟังคำสาวกนะแล้ว ม, มันก็มีคำถามมาเรื่อยแล้วก็ทำให้ตัวเองปฏิบัติต่อไม่ได้หยุดการปฏบัติเลยเนหะ็นี่ยสุตันตะนะที่ไม่ใช่ของตาถาคนมันเสียอย่างนี้นะแล้วใครจะไปนั่งตามแก้รัสย์พนูนมีก็ออกไป แผ่นซีดีทั้งหนังสือเนี่ยเห็นไ้ยว่าการที่โยมสนับสนุนสื่อที่ผิดเนี่ยมันเป็นผลเสียขนาดไหนมันก็ย้อนกลับมาเป็นคําถามอีกทีหนึ่งเนี่ ย, ยแล้วก็ไปขวางกั้นการประพฤติปฏิบัติขวางกาั้นมรรคผลเขาพระเจ้าจึงบอกว่าคนที่สอนผิดเนี่ยนะมรรคผิดปฏิปทาผิดจะเกิดผลเสียต่อมหาชนเป็นจำนวนมากนะแล้วก็สอนผิดไม่พอเราก็ขยายผลการสอนผิดออกไปอีกนะอืม ก็ไม่แปลกใจที่ทําไมเมื่อเขาศรัทธาพุทธศาสนาแล้วก็จะโลดหนังสือเก่าหมด น, นั่นเป็นอย่างนั้นนะนะอืมและการหลุดพ้นนอกจากการหลุดพ้นนอกจากรูล้ลมหายใจแล้วจะต้องเห็นการเกิดดับด้วยคำว่าเห็นการเกิดดับนั้นเป็นการที่จิตมีการปรุงแต่งให้อยู่ในสภาพวะของการเบื่อหน่ายหรือไม่ น, <c oughs> นี่แค่ สาวกบางพวกก็พูดไปอย่างนี้อีกนะว่าเห็นการเกิดดับคือการไปปรุงแต่งเองนะก็แค่เรารู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับในใจเราทำไมจะไม่รู้เวลายองโกรธมาโกรธ ด, ดับรู้ไหมรู้โกรธเกิดมารู้ไหมดีใจเกิดมารู้ไหมดีใจหายไปรู้ไหมทำไมมันจะไม่รู้ต้องไปปรุงแต่งอะไรเนี่ยน ะ, ะรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเองอะไรหายไปอะไรมีขึ้นอะไรหายไปแค่นั้นนะนะ่ะนะอยากกินข้าวรู้ไหมรู้ อิ่มรู้ไหมรูอ้อย่างนี้มันก็เรื่องธรรมดาธรรมชาตินะเห็นไหมไปพูดเล่นคำให้มันสวยหรูแต่ไม่ใช่คำพระศ า, าสดานี่มันเป็นอย่างนี้น ะ, ะถ้าใช่ก็จะเป็นรูปที่ไม่น่าพอใจเสียงที่ไม่น่าพอใจกลิ่นที่ไม่น่าพอใจนะ <c oughs> ยังจะเป็นอารมณ์เป็นการปรุงแต่งใช่หรือไม่ก็สิ่งเหล่านี้มีการเกิดดับทั้งหมดนะ นีสิ่งที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็เกิดดับหมดดึงจิตมาที่เสาเขื่อนเสาหลักอย่างพระศาสดาบอกนะเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าถามต่อเรื่องสมาธิขั้นที่1 2ึ่สอก็เพียงพอต่อการหลุดพ้นแต่ต้องเห็นการเกิดดับคําว่าเห็นการเกิดดับเข้าใจว่าคือเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวหนึ่งดับไปแต่จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องเห็นสภาวะที่ จิตเกิดดับอยูต่ตลอดเวลาขณะทำสมาธิหรือขณะรู้ลมหายใจใจเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจส่วนจิตเนี่ยมันก็จะเกิดดับของมันเองนะและเวลามันดับแล้วเนี่ยให้รู้ตัวให้ไวเราไม่มีใครรู้หรอกว่าจิตดวงไหนที่เกิดแล้วมันจะดับเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมเฝ้าดูเนี่ยรู้ลมหายใจรู้ไหมมันจะดับวินาทีที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรอกนะแต่มันดับไปปุ๊บเนี่ยให้รู้ <c oughs> เร ว, วาสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยมันหลงจิตหรือหลงวิญญาณมันจะไปคว้าวิญญาณดวงใหม่นั่นคือเวลามันคว้าแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ที่กายเหมือนเดิมเนี่ยหลักการแค่นี้เองนะนั้นฟองน้ําที่เกิดขึ้นบนผิวน้ําขณะฝนตกลงมาเกิดเม็ดฟองขึ้นมาดวงไหนจะแตกวินาทีที่เท่าไหร่ดวงไหนจะดับเกิดนานเกิดช้าเกิดเร็วมันไม่มีคกาประเมินมันเป็นธรรมชาติของมันเข้าใจไหมแต่มันดับเมื่อไหร่ให้เรารู้รู้ปุ๊บ อ, อ่ะมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนปุ๊บ ก, กลับมารู้ที่นี่ เปลี่ยนปุ๊บกลมารู้ที่นี่แค่นั้นเองนะเนี่ยเห็นเกิดดับอย่างนี้ <c oughs> นี่คําถามพวกนี้พอไปฟังคําสาวกมาทั้งนั้นนะมันจะสับสนอืมถ้าทําสมาธิจนอยู่ในสภาวะที่จิตนิ่งไม่ไปกาะกับสิ่งอื่นหรือสัมผัสอื่นยังจะต้องมองเห็นการเกิดดับของสภาวะจิตอีกหรือไม่มันไม่มีจิตเกิดถาวร น, นะบอกนิ่งนิ่งแสดงว่านิ่งถาวรก็เป็นนิพพานะสิ นะไม่มีอะไรนิ่งถาวรเนอะบอกต้องเห็นการเกิดดับไหมเอะลองไม่เห็นก็ได้ผลที่สุดจิตที่นิ่งก็ดับอยู่ดีนั่นระดับแล้วเห็นแล้วนั่นนะ่ะเนี่ยมันงงกันง่า ย, ายอย่างเงี้ยนะเนี่ย <c oughs> ฟังคําสาวกเยอะมันจะงงน <c oughs> พอไปคิดแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงปุ๊บมันจะมางงไข้โคนกับคํำผู้จําเปิดทรรที่ถูกปิดไม่ได้เออ เคยได้ยินบ่อยๆว่าเวลาทำสมาธิมักมีอาการปวดหัวพอจะมีวิธีที่เคยใช้บ่อยมาฝากเคยจะเป็นวิธีแก้ไขช่วยเหลือผู้ฝึกกัน <c oughs> <c oughs> นี่ก็พูดเองไม่ได้เป็นคมพสาศาศาัสสัสดาไม่ต้องไปสนใจในสุดตัน ต, ต์แต่งใหม่นะ อย่าไปแต่งคำอะไรต้องยกพสูตรขึ้นมานะเขาก็แนะนําไปทําอย่างง้นทำอย่างนี้ไม่ใช่คําพระศาสระต้องยกคําศาสดาขึ้นมาเวลาตอบคาถามใดก็ตามยกคําศาสระขึ้นมาพระองศ์สอนอย่างนี้อย่างเช่นปวดหัวอะไรก็พระองค์สอนเหมือนการจับนกไ้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือต้องจับพอดีพดีนี่ยกคําศาสระขึ้นมาไม่ใช่ไปเอาประสบการณ์ตัวเองมานั่งเล่าแล้วถ่ายทอดกันไป มันก็เป็นสุดต่างตะแต่งใหม่ไนงะ อ, อันนี้ยังชอบสุดต่างตะแต่งใหม่อยู่นะก็ไม่มีประโยชน์อะไระมีประเด็นอื่นมั้ยเซนขอใหม่โอกาสครับอาจารย์ แล้วนักสมาธิ่าสตร์ถ้ามันอยู่ในภาวะที่มันจริ๋งลงแรงตรงนี้ต้องทํำยังไงครัก็คือเสพมากน่ะอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมากได้นะและขณะที่อยู่กับสภาวะนั้นเนี่ยผู้เจ้าก็บอกให้ภิกษุนั้นเนี่ยหรือให้คนคนนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นให้ดีนะ เฝ้าดูจิตให้ดีให้เห็นอะไรให้เห็นความไม่เที่ยงความจางกลายความดับนะอ่ะลงไปเร็วมากเลยนะครใช่ น, นะเสร็จแล้วเราก็อยู่กับมันดูซิมันจะไปยังไงตอมันไปสุดของมันแล้วอย่างเงี้ยเราก็อยู่ลรวก็เฝ้าดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมในนี้เพราะมันไม่ใช่อสังขตะเมื่อมันเป็นสังขตะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องไม่ใช่สิ่งคงที่แน่นอน ผู้จ้าก็ให้เฝ้าดูอย่างนี้ว่าตัวสมาธิทุกขั้นเนี่ยอยู่ได้เสพครบได้ไม่ควรกลัวควรทําให้มากเจริญได้มากอ่างนีออกมาเลยงงนะคืออย่างน้อยถ้าออกมาแล้วก็คือเราก็รู้ว่าอ๋อสิ่งนั้นีดับไปแล้วก็จะเป็นมุมแบบภาษาเลยอูว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปก็จะเห็นว่าจิตปกติ กระจิตเมื่อกี้ไม่เหมือนกันอย่างี้อ่าสิ่งนั้นที่มีมาก็จางคลายและดับไปอย่างี้เนี่ยเรียกว่าผนนั้นมีความเห็นตรงหรือเป็นนายขมังธนูที่ยิงแม่นคือพิจารณาเฉพาะกรอบของอริสัท์คือเกิดดับอ่าสภาวะนั้นมีขึ้นแล้วจะหายไปอ่าสภาวะอะไรก็ตามมีขึ้นแล้วก็จะหายไปมีขึ้นแล้วก็จะหายไปทั้งสิน้นอย่างนี้ ข <c oughs> เขาโอกาสอีกครั้งเจ้าค่ะโยมอยากกลับเรียนถามว่าพระเจ้าเคยตัดในเจ้าคะเรื่องของพิกษุณีที่ว่าถ้าหากว่าพุทธศาสนามีพิทษุณีเนี่ย <c oughs> จะทำให้บัณฑรให้มีอายุแต่น้อยลงครึ่งหนึ <c oughs> ่งพอดีโยมได้เล่าการชักจูงว่าให้มรณอารมณ์ว่าจะให้ผู้หญิงเนี่ยค่ะเป็นพุทธสุนี <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราพระพระเจ้าตัดอย่างนั้นจริงเี่ การที่เราสนับสนุนให้ให้มีภิกษุณีเกิดขึ้นในพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นการขัดง้างหรือขัดแย้งกับคำกล่าวหรือความต้องการขององค์สมาสัพพเจ้าไมเจ้าคะเคยบอกไปแล้วนะคือผู้เจ้าก็บอกกับพ้านนอนวันเนี่ยถ้าสตรีมาบวในธรรมวินัยเนี่ยออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพุทธศาสนาเนี่ยถ้า ถ้าศาสนาจะประมาณอยู่พันปีเนี่ยก็จะเหลือห้าร้อนะแต่ทําไมอ่ะพระเจ้าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรือปะพระเจ้าสร้างเหตุอะไรพระเจ้าก็สร้างเหตุตั้งครุ๊ปทำแปประการขึ้นมาก็บอกอานนท์เปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยเห็นทํานบน้ำเนี่ยมันพังลงนะบ่อน้ํกากั้นเป็นทํานบไว้กั้นน้าไปในบ่อแล้วทํานบมันพังบุรุษนั้นก็สร้างทํานบใหม่กั้นเข้าไว้ ตัวเขาลุธามแปดประการเนี่ยคือทํานบใหม่ที่เข้าไปกัน้นก็ผู้เจ้าป้องกันไว้หมดแล้วนะใช่ไหมอ่าผู้เจ้าจะปล่อยให้มันคลราคาสังหรอปล่อยให้มันพังไปไม่ใช่พระองค์กั้นไว้แล้วคือคขลุธามแปดประการพิกษุณีคุณมาเป็นภิกษุณีเนี่ยคุณปฏิบัติขลุธามแปดประการหรือเปล่าปัจจุบันนี้ยงไปทําแบบสํารวจก่อนสิว่าภิกษุณีในปัจจุบันเนี่ยประพฤติตามขลุธามแปดประการอย่างเคร่งครัดหรือเปล่า ไม่ต้องเอาศิกขาบททั้งหมดของภิกษุณีหรอกขอคราุทำแปดประการอย่างเดียวภิกษุณียังไม่ได้ทําเลยใช่ไหมอ่าตอนี้ถ้าต้นฉบับหย่อนแล้วเนี่ยมันก็หย่อนไปยาวไปเลยทีนี้เมื่อภิกษุณีเห็นว่าคราุทำแปดประการไม่สําคัญอ้าวแล้วพระอาจาบอกห้ามละเมิดตลอดชีวิตแล้วภิกษุณีรุ่นต่อๆไปก็จะเห็นว่าครกุทำแปดประการสําคัญได้ยังไง ในเมื่ออาจารย์ฉันยังเห็นว่าไม่จากันเลยแต่ผู้เจ้าบอกห้างเราเมื่อตลอดชีวิตนะผู้เจ้าออกระเบียบวินัยมาแล้วว่าการบวชภิกษุณีเนี่ยทําได้และทํำยังไงวางกฎเกณฑ์ไว้หมดแล้วนะต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายคือบวชในภิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้วมาบวชในภิกษุสงฆ์ใช่ไหมก็ทุกอย่างก็บอกไว้หมดแล้วถ้าจะมีก็คือทําตามนั้นทําตามที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้ทั้งหมดก็ไม่ไม่แปลกอะไรอ่ะาดสุดไปแล้ว ใครพูดว่าขาดศูนย์นะคำนี้ใครพูดนะ <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าพูดหรือเปล่าพยโยมไม่เห็นว่ า, ามีพุทธเจชนะไหมพูดว่าภิกษุณีขาดศูนย์ <Okay. S 1> พระเจ้าบัญญัติภิกษุณีเนี่ยนะอยู่ในกระทั่งอยู่ในปาติโมของภิกษุ <Okay. S 1> การเกี่ยวข้องกับภิกษุณีจะต้องทํำยังไง <Okay. S 1> ปาติโมเป็นศีลเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ภิกษุต้องสวดทุกขึงเดือนพระเจ้าต้องมองแล้วว่าศาสนาท่านมันต้องเจอกับภิกษุณีไปยันตลอดนะ่ย ให้พระเนี่ยต้องรู้สิกขาบทเกี่ยวกับพิษุณีแล้วใครมาพูดว่าพิษุณีขาดศูนย์คําพูดของใครอะโยมตัดสุตตะนั่นออกไปก่อนสิสกรีนก่อนว่านั่นคือคําตถาพจหรือเปล่าคําว่าพิสุณีขาดศูนย์เนี่ยพระเจ้าเคยพูดไหมไม่เคยพูดใช่ไหมอ่าแค่นั้นเองนั้นถ้าสนับสนุนให้มีพิกษุณีก็เท่ากับโยมเนี่ยก็บรรทอนพุทธศาสนาเช่นอายุของพุทธศาสนาเช่นกัน สนับสนุนแบบไหนล่ะสนับสนุนให้มีการาต่อสู้ที่จะให้เกิดขึ้นอนิยมอนิยมเห็นมีการต่อสู้ที่จะให้มีไม่เห็นจะต้องต่อสู้อะไรเลยนะสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยทําให้มันดี<ช>การต่อสู้เนี่ยทําให้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยบริสุทธิ์ดิ่งขึ้ น, น่ะใช่ไหมภิกษุณีที่มีอยู่เนี่ยนะทำให้ดีแล้วกันไม่ใช่ไปต่อสู้เพื่อให้มามีการบวชแต่ของเดิมยังกลวงอยู่เลยใช่ปะ ทำไมไม่ต่อสู้ให้ภิกษุณีที่มีอยู่เนี่ยประพฤติตามขรุธริทำแปประการให้จริงจังให้ถูกต้องเอาทีละลาดับก่อนสิใช่ไหมแล้วพอตรงนี้ได้เนี่ยโยมก็บําบุงภิกษุณีไปสินะถ้าภิกษุณีนั้นเนี่ยประพฤติตามวัด ท, ที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้การบําบุงนั้นก็เป็ น, นการบํารุงที่ประเสริฐใช่ป่ะอ่านั้นก็จะเป็นเชื้อสายของภิกษุณีที่ถูกต้องต่อไปเราแค่ยังไม่ต้องขยายหรอก ไปตรวจภิกษุณีในะปัจจุบันที่มีอยู่ก่อนให้ตรงตามที่พระเจ้าบัญญัติเหมือนกันเรามาตรวจพระเนี่ยในปัจจุบันให้ทําตรงตามที่พระเจ้าบัญญัติซะก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะพระ <c oughs> ที่ไม่ตรงตามทำไม่ตรงตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยปรับแก้ไขซะก่อนก็เหมือนกับพระที่ปรับแก้ไขยอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมในหลายๆวัดที่พอมารู้จักพุทธศานะแล้วเขาก็แก้ไขตัวเอง เคยทานสองมือเขาเลิกทานมือเดียวเคยรับเงินทองเขาก็เลิกไม่รับเงินทองนะเคยทําพิธีกรรมอะไรที่นอกแนวทางพุทธศาสนาเขาก็เลิกหมดเนี่ยต้องทําอย่างนี้ก่อนทําให้พระเข้มแข็งก่อนทําให้ภิกษุณีเข้มแข็งก่อนจากนั้นโยมจะขายายให้โบสถ์ต่อไปก็ไม่มีปัญหานะนั้นอุปชาอาจารย์มันจะต้องดีก่อนไงอ่าไม่งั้นมันก็จะเกิดผลเสียตามไปเรื่อยโยมไม่กล้าที่จะรับ ที่จะให้มีต่อไปเพราะเนื่องจากว่าออืโยมมองว่าองค์สมณะตุสเจ้าเป็นเป็นเป็นใหญ่ที่สุดเพราะท่านตัดเอาไว้แล้วว่ากึ่งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นโยมเองโยมจะไม่ยอมออืให้ตากนางลดเหลือกึอือนี่คือสิ่งที่ออืมันก็อยู่ที่ที่ใครจะหยิบหยิบตรงไหนมาพูดไงใช่ไหมอ่าซึ่งเราลําดับเหตุการณ์สิพระองค์พูดตรงนี้ ในช่วงท้ายหรือช่วงต้นพูดก่อนแล้วก็แก้แล้วก็ปรับแล้วก็แก้ไปอย่างนี้ถ้าเราถือคำสั่งเราก็ถือคำสั่งสุดท้ายเป็นหลักนะใช่อพุทธบริษัทของผู้ชาติประกอบด้วยอะไรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมอ่านั <c> ้น <oughs> มีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ไอ้ที่มีอยู่ถูกต้องหรือยังใช่ ถ้าจะส่งเสริมก็คือทำแค่นี้ก่อนทำที่มีอยู่ให้มันถูกต้องนี่ก็ถือว่าส่งเสริมแล้วใช่ไหมไห ม, มีประเด็นคำถามอะไรไหมค่ะอ า, าจารย์คื อ, อมีอยู่คำถามนึงค่ะคือเดือนหน้านี่คือน้องชายจะบวด อ uh, ตอนนี้ก็กําลังถกกันอยู่กับยงพ่อกับยมแม่ค่ะเพราะยงพ่ อ, พอกับยมแม่ก็ตอนนี้ก็เป็นศน า, สาสนาพุทธแค่ในเทะเบียนบ้านน่ะนะคะยังคืออยากจะได้แบบอยากจะรู้ว่าบวชตามหลักพุทธวัฒนะจริงๆเนะะี uh ่ยค่ะต้องทํำยังไงนะคะคือ uh huh. uh huh. น, น้องชายจะบวช่ะ อยากจะให้เขาบวชตามตามพุธทธวจนะค่ะไม่คือไม่อยากให้เขาบวชแบบที่ ผ, ผ่านมามีการฆ่าสัตว์อย่างเนี้ตอนนี้เขาหาบัวหาหมูไว้แล้วจะฆ่าในงานบวชก็คืออยากจะแบบอยากแก้เลยก็แค่ทําพิธีส่งฆแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วไงพิธีอื่นไม่มีไงแหน้า่ทำขวัญน้าคไลาตาอะไรอย่างนี้ไม่มีนะอ่าก็คือเข้า อุโบสถแล้วก็คณะสงฆ์ตั้งแต่ห้าูกขึ้นไปนอกเขตตอนกลางของอินเดียอนุญาตให้ห้าูกได้แล้วก็ถามอันตรายยิกระทอันตรายต่อการบวชนะไม่มีไม่เป็นไรละคณะสงฆ์ทั้งหมดก็กล่าวรับผู้นี้เนี่ยเข้ามาเป็นภิกขุในธรรมวินยัยนะก็มีขั้นตอนที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนะ โอกาสครับอ๋ออยากทราบว่าโยมจะได้ยินคาว่าสุรกายบ่อยอในภพภูมิมีคาว่าสุรกายไมับตาจริงสุรกายหรืออะไรสุรกายสุรกายมีมีมันเป็นมันไม่ใช่ภพภูมิใชนเป็นคำเรียกรู้ป่ะครับอ่านจบเล่มหรือยังเนี่ยภพภูมิภพภูมิภพภูมิอ่านจบเล่มหรือยังอ่านจบไตอ เก็บรายละเอียดมัหมดยังไม่หมดไปอ่านหน้าสุดท้ายเนี่ยบอกว่าพระอินทร์มีเมียเป็นอสุรกา ย, ยนั่นน่ะมันมีเรื่องที่ต้องสืบค้นต่ออีกอสุรกายเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องสืบค้นครึ่งคนครึ่งจัดต์ก็อสุรกายหมครับอย่าเพิ่งตอบตอนนี้เลยมันเป็นเรื่องที่ยังต้องสืบค้นนะอมันมีพระสูตรที่ยังมีไม่แยอะนะ ในมาส ก, การคระอาจารย์นะคะ uh huh. พอดีว่าโยมเพิ่งได้เข้ามาปฏิบัตินะคะม uh huh. ีวันนาป่าโพก่ะคะ uh huh. แต่โยมมีเรื่องขัดใจมานานแล้วะค่ะเรื่องเกี่ยวกับเหมือนทางโลกกับทางธรรมอ่ะคะ uh ่ะ huh. เนื่องจากโยมโยมคิดว่าการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางโลกอ่ะคะ uh ่ะ huh. อาจจะต้องเป็นคนที่สามารถหางเงินหาทองมาได้เยอะๆสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้มีความทำให้คนในบ้านมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่โยมได้ฟัง ทางธรรมอะค่ะเหมือนว่าจะต้องให้ลาทุกอย่างนะคะเหมือนทุกอย่างไม่เที่ยงทังนั้นโ ย, โยมก็เลยเกิดความสงสัยแล้วก็งงว่าถ้าอย่างนี้เราเป็นคารวาทั่วไปเราจะสามารถประสบความสําเร็จทั้งทา ง, ทางโลกและทางธรรมได้หรือเปล่าอะค่ะอ่าาะโยมไม่เคยเจอประสศุที่พระเจ้าตัดไปตัวนี้ว่าคนเราเนี่ยเจริญนทั้งสองทางได้ทั้งทางโลกและทางธรรม พุทธเจ้าบอกคนเราจเจริญด้วยบุตรภรรยาฆ่าทาศกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันก็เป็นผู้จเจริญด้วยศรัทธานะด้วยศีลนะด้วยการสั่งสมสุตะด้วยจาคะด้วยปัญญาคนคนนี้เอาดีทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมได้บรรลุทรรได้ด้วยแล้วทางโลกก็จเจริญด้วยนะนั้นมีพระสูตรมากมายที่เกี่ยวกับความจเจริญในทางโลกและเหตุปัจจัยของความจเจริญทางโลกทำอย่างไงพุทธเจ้าก็บอกไม่หมดนะสร้างเห็ุอะไร ได้มาซึ่งรูปงามผิวปัญงามสร้างเหตุอะไรได้มาซึ่งภพกรัพั์สร้างเหตุอะไ ร, ไ ร, ะไรทำให้ได้เกติศักดิ์อันใหญนะ่ทำให้มีบริษัทบริวารทำให้อายุยืนนะมีบอกหมดเลยเนี่ยมันเป็นหน้าที่เราที่จะเข้าไปสืบคน้นศึกษาคาสอนของพระศาสดาของเราเองนะพระองค์พูดไว้หมดแล้วควางเป็นสัพพัญญูขององค์รู้ทุกเรื่องนะแต่เราเนี่ยอ่านไม่ทุกเรื่องนะมันก็เลยรู้น้อย แล้วถ้าเกิดเป็นการเริ่มต้นนะคะพ <c oughs> ราชาไม่ทราบว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนดีอะคะ่ะเกิดว่าเราไม่ได้มีไม่เคยปฏิบัติมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยห น, ะะ <c oughs> นังสือเราก็ทําไว้ให้แล้วแผ่นซีดีต่างๆเราก็ทำไว้ให้หมดแล้วก็เริ่มต้นจากหนังสือเนี่ย <c oughs> สิบสบ เ, เล่มที่ทําไว้ให้เนี่ยนะแล้วก็ต่อด้วยตัวจับพระโอษณนะเล่มแล้วก็ขยับขึ้นไป นะศึกษาในฉบับสยามรัฐนะหรือในโปรแกรมที่ทำไว้ให้ในแท็บเล็ตในมือถือนะซึ่งก็มีบรรจุข้อมูลคำศัสดาทั้งหมดทั้งชีวิตนะมากมายอยู่ในนั้นเก็เข้าไปนั่งอ่านทีละเรื่องนะก็เหมือนกดียยมคนหนึ่งเขาก็อ่านพระธรรมปิกดนะจากอ e ีเทเิตกนะแล้วเขาก็เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่เขาชอบนะอันไหนที่รู้เรื่องก็อ่านอันไหนไม่รู้ก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไป มันไม่ใช่ไม่รู้ทั้งหมดไม่ใช่ว่ารู้ทั้งหมดแล้วก็อ่านเฉพาะเท่าที่รู้นะมันก็จะเพิ่มความรู้เราขึ้นเรื่อยๆแล้วคําพระเจ้าจะเชื่อมโยงกันไปกันมาเราก็จะมีคําตอบได้คำตอบไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยแค่นั้นเองนะเนี่ยทําอย่างเนี้ยนะอขอขอโอกาสอ่าเออในในพุทธวจนะนี่ ม, มีมีพูดถึงยาที่รักษาคนป่วยหนะักมีไหม ยารักษาคนปว่วยพุทธวัจนามีไหมส่วนของต้นไม้เป็นยารักษาคนป่วยทั้งหมดอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าส่วนไหนของต้นไม้อะไรรักษาโรคอะไรแต่พระเจ้าอนุญาตส่วนของต้นไม้ทุกชนิดนี่ยเป็นยารักษาโรคให้กับพิสนะุอนุญาตว่าเมื่อมีคนถวายมาแล้วเนี่ยเก็บไปได้ตลอดชีวิตนะอย่างสมมติ ว, ว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมีมี <c oughs> ม, ม, มีส่วนของต้นไม้ชนิดไหน ไม่ได้มีบอกรายละเอียดตรงนี้นะนันต้องไปถามพวกหมอยาหมอยาไทยก็ไม่รู้ว่าพุทธวจนะพี่พูดตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพูทเจ้าก็เป็นหมอยาสิรู้จ้าว่าพิสุทเป็นหมอยานะเพราไม่ได้บวชมาเพื่อรักษาโรคนะกตัดเรื่องยาที่หยิบ ทานได้เลยนะอุจฉะปัสสวะขี้เท่าดินเนี่ยถ้ามีเหตุที่จะถึงแก่ชีวิตเนี่ยก็หยิบสี่อย่างนี้ทานได้นะโดยไม่ต้องรอใครเอามาให้นะอุจฉะปัสสวะขี้เท่าดินสี่อย่างแล้วก็ยาที่เก็บดองไว้ด้วยด้วยน้ําปัสวะนะเช่นตัวยาใบไม้ผลไม้อะไรก็ตามที่ใช้เป็นยาเนี่ย โยมเก็บไว้เฉยๆมันจะเน่าแต่เช่นถ้าโยมใสเอาไว้ในน้ําปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นปีๆอาตมาก็เคยลองทำเนี่ยเอาสมอมะขามป้อมเนี่ยดองในขวดโหลเอาไว้กอขวดโหลบางโหลที่ทําให้ดีมันก็เน่านะลาขึ้นบางโหลที่ทําดีมันก็จะอยู่อย่างนั้นสี่ห้าปีอยู่ได้ลูกสมอยังเป็นลูกน้ํำก็ยังใสออกขุนนิดๆแต่ก็ไม่เน่าอะไรเหมือนเดิมแล้วก็ยังทานได้ น, ะะะน้ําปัสสาวะ ืสมองมะขามป้อ 4, มสี่ห้าเมตรทานก็ถ่ายฟูดแหละนะใชาไม้ ใ, ใ, ใ, บบใช่ไหม้ศร<บ>ัทธาในในในแบบรูปแบบการรักษาของทางหมอท า, ทางแพทย์ทันสมัยมากกว่าใจยังไม่ศรัทธาพวกนี้แต่สามีเนี่ยพยายามที่เป็นพวกมะเร็งการไม่ดี ไม่ได้หาหาพากันเขาอยากจะให้ทานอะไรที่มันเป็นเครื่องเป็นสมุนไยัยแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ศรัทธาจะไม่ไม่จะไม่ศรัทธาอยากจะเป็นทางด้านานั้นมา ก, กา <c oughs> มันก็แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนไม่เป็นไร <c oughs> นะเขาศรัทธาอทางยาสมัยใหม่ก็ใช้สมัยใหม่มันก็ได้ทั้งกู้อโยมมันจะตายช้า <c oughs> ตายเร็วกัน <c oughs> ที่ตัวเองศรัทธาเรัทธาจะไม่ศรัทธามัน มันจะตายกับตายเหมือนกันแน่นอนนะแต่พระอาจารย์คิดว่าสมัยใหม่สมัยเก่าก็คือมันก็ตายเหมือนกันอนะ่ะ <c oughs> ถ้ามันจะรอดมันกนรอดเยอะ <c oughs> เพราะรักษาแบบสมัยใหม่รอดก็มีมันไม่ใช่ตายทั้งหมดรักษาแบบสมัยเก่าตายก็มีไม่ใช่รอดทั้งหมดมันมีทั้งคู่เยอะอยากทราบว่าเอา็ตอนนี้เราจะทำใจยังไงม้างแนะนำใจ <c oughs> ให้คนป่วยนะรู้ธรรมะพระพุทธเจ้านะ <ช>นั่นแหละพอรู้ธรรมะพระผู้เจ้าแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่ก็ดีตายก็ ด, ดีได้หมดนะ่ะนะบางครั้งมันก็จะอดคิดไม่ได้แต่ว่าก็พยายามที่จะคิด <c oughs> ไม่ไม่สนใจปล่อยไปตามฟังธรรมฟังจะ ไ, ไ, ไ, ไม่คิดอย่างนี้จะอดบางครัง้ ง, งมันก็อดเข้ามายาของพระเจ้าก็คือยาถ่ายอันเป็นอริยะยาถ่ายอันเป็นอริยะของพระเจ้าเนี่ยถ่ายความแก่ความเจ็บความตายออกไปได้ ผู้เจ้าให้กินยาถ่ายตรงนี้กินแล้วเนี่ยให้ผลร้อเอร์เซ็นตแน่นอนไม่มีการไม่ให้ผลผู้เจ้าบอกนี่ผู้เจ้าเป็นหมอยาอย่างนี้ไม่ใช่บอกไอ้นีาา่แก้มะเร็งไอ้นี่แก้โรคนั่นโรกนี้ไม่ได้บอกว่อย่างนั้นนะเดี๋ยวจะเป็นหมอยาไปซะนะแต่จริงผู้เจ้าคงสร้าบหมดนั่นแหละแต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อ น, นิพพานเพราะเดี๋ยวคนก็จะยิ่งยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ผู้เจ้าต้องการให้ปล่อยร่างกายนี้อย่าไปยึดมั่นถือมัน ใช่ไหมเราก็มีหน้าที่เสพครบให้มากกัเยอะนะเสพครบธรรมะให้มากขณะเสพครบธรรมะมากเนี่ยโรคภัยก็จะหายไปด้วยโดยอัตโนมัติเหมือนกันอย่างที่จัดกับพระอนุนบอกว่าอ้าวจำธรรมะนี้นะไปบอกกับพระคลิมมณุนเนี่ยอ่าผ้าของคลิมนุนเนี่ยจะงับไปตามกุนแก่ฐานะใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้อืมส่วนรักษาแล้วก็แล้วแต่ ศรัทธาตรงไหนก็รักษาตรงนั้นได้โยมถ้ามันจะหายก็คือหายน่ะมันก็จะถูกของมันเองนั่นแหละนะอ่ามันก็มีทั้งสองอันคนรักษาแบบแตามมีตามได้แป๊บเดียวตายก็มีนะมันมไม่ได้จังหวะของมันนะอืมนะอ่าฮะไอ้ข้างซ้ายข้างล่าง พ, พี่ที่มาด้วยนี่ค่ะเาทีความทุกข์มากมว่า เสียลูกสาวไปอืมก็เลยขอพระอาจารย์เมตตาให้ทำะกับเขหน่อยค่ะอ่ามัน ม, มันตายกันทุกคนนะโยมในนี้มันกัเสาวคนเดียวเลอืมใช่มันก็ต้องพิจารณาความตายเนี่ยแหละตัวเราก็ต้องตายเหมือนกันนะในเผอิญลูกตายก่อนแม่เนี่ยมันก็เลยแย่หน่อยนะอืมไม่เป็นไรนะ ก็เกิดมาเมืองตายอยอมทุกคนก็ตายหมดนะอืเนี่ยต้องพิจาาตรงนี้ให้มากๆมกรณสติอันบุคคลเจริญให้มากกระทําให้มากเนี่ยย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงใหญ่มีอมตะอย่างลงสูอมตะเป็นปรโยชสานคือเราจะได้ความไม่ตายในที่สุดนั้นถ้าเราเห็นความแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเนี่ยนะนะแล้วเราต้องการที่จะออกจากความแก่เจ็บตายเพราะนี้มันคือความทุกข์นะ นั้นสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยถ้าไปมีความพอใจในสิ่งใดสิ่งนั้นจะสร้างความทุกข์ให้กับเขาเพราะยมไปมีฉันทะในตัวลูกตัวสามีตัววัตถุเข้าของใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแปรป่วนแตกสลายหายไปเนี่ย <c oughs> เราจะมีความทุกข์กสิ่งนั้นูระเจ้าจึงบอกทุกใดๆในโลกเนี่ยทุกเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมีเพราะฉันทะเป็นมูล มีเพราะฉันทะเป็นเหตุเนี่ยเพราะว่าฉันทะเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์ความพอใจนี่แหละเป็นมูลเหตุของความทุกข์นะนั้นผู้เจ้าเนี่ยอุปมาว่าเออภิกษุถ้าเธอพอใจหญิงคนหนึ่งแล้วหญิงคนนั้นก็ไปพูดอ่าละลิกซิกซี่กับชายอื่นนะเธอคิดว่าเธอจะพอใจไหมบอกไม่พอใจนะแต่ถ้าเธอละฉันทราคะในหญิงนั้นได้แล้วหญิงคนนั้นเนี่ย ไปพูดเล่นพูดตัวกับชายอื่นเธอจะรู้สึกไงก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะละความพอใจในหญิงคนนั้นได้แล้ว <c oughs> เห็นไหดังนั้นถ้าโยมละความผูกพันความพอใจในลูกได้เนี่ยนะในสามีในวัตถุเข้าของใดๆในโลกวัตถุเข้าของนั้นๆแปรเปลี่ยนไปแตกสลายไปหายไปเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจนะซึ่งมันต้องมีวันนี้วันหนึ่งอยู่แล้วนะในทุกๆคน และไม่ใช่ว่าโยมเป็นคนเดียวในโลกทุกคนต้องเป็นหมดนะทุกคนในโลกต้องเจอหมดโยมคิดใกล้ควรดีๆนะคนที่เกิดมาแล้วจะเจอแบบนี้ทั้งนั้นนะถึงไม่มีลูกหลานเลยก็ต้องเจอการเสรื่อมสลายของตัวเองเข้าใจไหมนะนี่แหละพระเจ้าจึงต้องการให้ออกจากสังสารวัตรนี้นะพระเจ้าบอกน้ําตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้าในมหาสมุทรทั้งสี่เราเนี่ยเคยร้องไห้เพราะการพลัดพลาก จากของรักนะนะเพราะการแก่เจ็บตายของญาติพี่น้องเนี่ยมันตลอดการยาวนานนะนี่ก็เป็นอีกวงรอบหนึ่งของการเสียใจใช่อ่าก็สั่งสมไปอีกทีละหยดสองหยดนั่นนีนะม่มันท่วงเป็นมหาสมุทรเลยนะโยมชีวิตนี้มันยาวนานขนาดไหนโยมคิดดนะูนั่นนี่แหละถ้าใครเห็นว่าสิ่งนี้คือความทุกข์เนี่ย เราก็จะพยายามหาวิธีแก้แล้วแก้แบบถาวรเดี๋ยวไม่ใช่แก้ชั่วคราวแก้ชั่วคราวก็ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปอะไรให้มันลืมลืมไปซะ <c oughs> หรือปล่อยให้การเวลาผ่านไปนานๆเดี๋ยวก็ลืมแต่มันไม่ได้ช่วยพัฒนาอะไรขึ้นมานะวิธีแก้ที่ถูกต้องคือมาศึกษาพุทธวัชนะนะมาประพฤติมรรคมุมงแปเนี่ยสินสมาธิปัญญาแล้วมันจะเป็นการแก้อย่างถาวร ทีนี้แม้แต่ตัวเราแก่เจ็บตายก็จะไม่หวั่นไหวนะเนี่ยถ้าของของเราตายยังหวั่นไหวแล้วถ้าตัวเราเนี่จะหวั่นไหวไหมโอ้โหยิ่งนหนักนะโยมนะโยมจะร้องไห้ทุบอกลําไห้ขําควนถึงความมีสติฟั่นเฟือนทันทีเลยมีโยมอยู่คนหนึ่งแต่ก่อนก็เคยมาวัดที่นี่นะหลังๆห่งหางไปแล้วก็ไปเป็นอมพรพลึกอมรพาน เขาก็ข้ามคูนเนี่ยทำไมเท่าต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องมาเกิดในชีวิตเขาก็ให้ข้ามคูนอยู่อย่างนี้ลักถามว่าเกิดประโยชน์อะไรแทนที่จะศึกษาธรรมะเห็นนะอืมก็มันก็ต้องเกิดทุกคนใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครใช่ไหมเรานั่งๆอยู่นี่ใครจะรู้ว่าต่อไปจะพิการจะเป็นอมาพาตลอดชีวิตเนี่จะเป็นมะเร็งเป็นโรคนั้นโรคนี้เยอะแยะไปหมดใช่ไหม นี่แหละเราต้องเร่งศึกษาธรรมะเนี่ยนี่ประตักเข้าถึงเนื้อลันเนี่ยอืต้องเร่งศึกษาธรรมะเลยพี่กนนะ็อยากทราบตออาารย์ว่านวะ่าเขาจะอุทิศบุญกุศลให้ลูกเขายังไงคะที่ลูกเขาจะได้รับตามพุทธวจนะก็คือกระทําทักสินานะอุทิศน่ะคือที่พระองค์อธิบายในตรงนี้ก็คือกระทําการถวายทานที่ ให้แก่สงผู้เป็นอริยะอย่างนี้น ะ, ะนั้นอย่างน้อยเราถวายทานแก่สมณะหรือพราหมณนะ์แล้วก็ตั้งเจตนานะให้กับญาติที่เราล่วงรับที่ล่วงรับไปแล้วนะแล้วก็อันดับต่อไปคือต้องกลับมาห่วงตัวเองต้องมีตนส่งไปในแนวของธรรมะนะไม่ใช่ไปห่วงคนอื่นอยู่ตลอดจิตมันก็ไปผูกพันไปเพลินกับอารมณ์ไปมอมหมกอยู่กับอารมณ์นั้น ดังนั้นต้องเอาอันนี้เป็นอนุสติเคลื่อนเตือนใจเรามาอาชานายประเภทที่สามประตักเข้าถึงเนื้อคนรักญาติพี่น้องญาติสาวเาหิดแก่เจ็บตายเอง เ, เริ่มรู้สึกลนะนะเอมันใกล้ตัวละเราควรจะมีตนส่งไปในแนวของธรรมะคือเริ่มประพฤติปฏิบัติมันจะต้องเป็นอนุสติเตือนใจให้โยมเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เพื่อเข้าถึงความไม่ตายนะคือไม่ใช่มาเ พ, เพลิดเพลินเมาหมกอยู่กับอารมณ์นั้นซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต้องคิดว่าทำยังไงนะเหตุการณ์นี้จึงจะเกิดประโยชน์กับเรานะเก็คือประพฤติปฏิบัติธรรมนะสมควรแก่ธรรมนะแล้วก็ศึกษาพุทธวิชชาเลยแล้วก็ประพฤติธรรมเลยมันถึงจะเกิดประโยชน์เนาะ นาสกันพระคุณเจ้าครับผมอ่าผมสงสัยว่าการไหว้พระสิดย์ น, นี่ครับถ้าเราไม่รู้คำแปลหรือความหมายนี่ย <c oughs> เราจะได้ประโยชน์เหลืออันสองอะไรไหมครับหนึ่งเราก็ไปนั่งสวดคาของปริพพาชกหรือคําที่แต่งใหม่ <c oughs> ก็เสียประโยชน์ไปเลยนะอย่างที่สองถ้าเราสวดคําพระพุณเจ้าแล้วเราไม่รู้คําแปลนะซึ่งเป็นภาษาอื่นเราก็ยังไม่ประพฤติทำสมควรแก่ทะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า มันแปลว่าอะไรแล้วเราจะเอามาปฏิบัติกายวาจาใจยังไงนะโยมนั่งสวดปาณาติปาตาเวรมณีคล่องเลยอธินาธานาเวรมนีคล่องเลยแต่โยมก็ยังฆ่าสัตว์อยู่ยังรักทรัพย์อยู่แล้วสิ่งที่โยมสวดเนะี่ยมันได้ผลต่อการประพฤติปฏิบัติมาไม่ได้ผลนะโยมใช่ไหมคุยว่าจึงบอกการสัจชายะหรือสาธยายธรรมเนี่ยต้องมีอาการเนี่ยนะหนึ่งเป็นคำพุทธเจ้าเข้าใจ ต้องเข้าใจเห็นไหมต่อมาอันดับ2เลยอันดับแรกต้องเป็นคำพุทธเจ้าก่อนอันดับ2เข้าใจ3เกิดปิติปิติจากความเข้าใจในธรรมน ะ, ะเดี๋ยวนี้เราเป็นปิติจากการฟังเสียงสวดโอสวดเพาะมีเพลงด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็ไปมันปิติเหมือนกันนะแต่ปิติจากรูปเสียงกินรสมันคนละเรื่องนะอาตมาก็ยังเคยเป็นนักเรียนนั่ง ตื่นตอนเช้าเขาไม่ทันตีสามไม่ไหวนอนฟังก็สวดมนต์ไปโอ้เพราะนะนะอยู่ในป่าเสียงสวดมนต์สบายนะนะนี่มันปิตจจากเสียงนะนะ <c oughs> ต้องปิติจากการครควรธรรมเกิดความสุขจิตตั้งมันนี่เป็นการสัจชายะที่เป็นไปเพืะะ่อวิมุตเข้าใจไหมกับเรียนพระพุณเจ้าครับถ้าเราจะใช้บทสวดมนต์ที่สวดอยู่เนี่ยเป็นอุบาย Uh huh. เป็นอุบายใช้บทสวดนี่แหละเป็นอารมณ์ในการหล uh ่ huh. จิตอ uh huh. ห้แนวแน่แนมุ่งมั่นอยู่กับ uh huh. บทสวดเนี้ยน uh huh. อฮ ะ, อะไม่ส่งอารมณ์ไปที่อื่นนะครับจิตอยู่กับคํามสวดซึ่งรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายก็ตาม uh huh. นะฮะบทสวดเนี่ยจะเป็นอุบายใช้เป็นอารมณ์ในการทําให้จิตนะะตั้งมั่นเป็นสมาธิในระดับหนึ่งเนี่ยจะพอเป็นประโยชน์ในส่วนนี้ได้ไดบ้างหรือไม่ครับพระพุทเจ้ามันก็ไม่สมประโยชน์อย่างที่พุทเจ้าบอก การสัจชาญาที่เป็นไปเพื่อวิมุติใช่ไหเพราะองค์มันไม่ครบมอาจจะไม่ใช่วิธีตรงตรงเหมือนกับเราทําสมาธิตามวิธีการที่พระองค์สมแนะนําไว้อย่างเช่นอาณาบรรสติก็ดีนะอาจจะใช้ส่วนนี้เป็นอุบายในสําหรับเบื้องต้นกับคนที่จะเริ่มทําสมาธิหรือทําจิตให้เป็นสมาธิให้รวมเป็นสมาธิได้ในระยะต้นๆแล้วพระเจ้ามีบอกมีบอกไวไหมล่ะครับยังจะพอเป็นประโยชน์นะฮะในส่วนนี้คือ พระดมทรงตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องการทาสมาธิตรงๆเลยก็คือสู้กันตรงๆเลยก็ใช่กำหนดจิตบังคับจิตตรงๆเลยแต่ว่าในส่วนนี้ถ้าในใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ในการรวมจิตให้เป็นสมาธิได้เนี่ยบัญญัติเองนั่นแหละเนี่ยยังไงนะครับเป็นบัญญัติเองไหม่ะเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ัญหมายถึงผมหมายถึงว่าเออาไมก็ต้องยกขสือขึ้นมาได้ไหนผู้ใช้หมายถึงว่าเราจะสามารถใช้อันนี้ประยุกหรือเป็นอุบายอันหนึ่งนะฮะมีเรียกบัญญัติเองหรือเปล่าเนี่ย เออ ไ, ไม่ไม่ได้เป็นหยาฮะหมายถึงว่าตอนนี้ก็หาลือกันนะฮะก็สอบถามพวกคุณเจ้าในสถานะที้วนั้นร<ด>ู<ด>้ตรงนี้อย่างค่อนข้างจะมากเนี่ยนะฮะว่าเออเราจะใช้บทสวดตอนนี้เพราะปกติแล้ ว, นวเนี่ยการสวดนี่ก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเริ่มคำว่าบทสวดแล้บทสวดของใครบทสวดแต่เป็นสวดบทสวดที่ประสงค์ใช้สวดอยู่นะฮะที่ประสงค์ใช้สวดอยู่นยอย่างเช่นว่าบทสวดอย่างเช่นว่าเราใช้อใช้สวดสวดผิดต้องเยอะนะยมจะไปตีคลุ่งว่าบทที่ประสงค์ใช้สวดแล้วประสงค์สวดผิดต้องเยอะะ ตอนนี้เราอาจจะพูดถึงว่าพระสงค์ที่สวดถูก<ท>กันละกันพระคุณเจ้าเอาบทสวดถูก<ท>ก็ต้องลงมาที่พุทธวจนะครับใช่ครับตกลงคำว่าบทของโยมเนี่ยคือบทพุทธวจนะใช่ไหมใช่ครับเป็นบทบพุทธอาจจะเป็นบาลีที่เราไม่เข้าใจความหมายทีละเรื่องกันนะทีละเรื่องกันนะบทนี่คือบทพุทธวจนะใช่ไหมถูก ต, ต้องครับอามันจะได้ตัดคนที่ฟังที่บอกเพราะพูดว่าบทบทบ ท, บทแล้วบทพระสงค์สวดเนี่ย มันบทจีปาฐานนะพาหมชินนะบัญชรยอดพักการอะไรทั้งหลายนี่พระสวดกันเยอะแยะชุมนุมเทวดาต่างๆนี่อันี้บทแต่งใหม่นะแยกๆก่อนไม่ใช่ใช่ไหมพูดให้ตรงๆนะไม่ใช่นะพุทธวจนะนะคอ่ะจากนั้นต่อแล้วยังไงถ้าเราใช้บทสวดเนี่ยอย่างเช่นพิจารณาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะฮะเท่าน่าแค่ครึ่งท่อนนะป้าใส่สิ้นตาด้วยสิ้นรูปด้วยนะครับจึงเกิดเป็นจักรคุิญาณการประจวบแต่งธรรมะสาประการก็คือปัดสั เขามีปัสสาวเป็นปัจจัยนะจึงมีเวทนาต้องมีทางหายใจไล่จนถึงจบว่าุจบไป็ลอะก็สวดดีเงี้ยภูตองก็ให้ให้รับไว้ให้ให้เล่าเรียนให้ให้ศึกษาในในในเรื่องนี้นะครับเราก็สวดเงี้ยเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะล้วก็มีจิตตั้งมั่นอยู่ในคําสวดเราเนี้ยนะเป็ลักษณะนี้เนี่ยตรงนี้ขอแยกอีกนิดหนึ่ง ขณะที่สวดอยู่เนี่ยเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยใช่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยตกลงไม่เกี่ยวกับเรื่องบาลีนะถ้าเป็นภาษาเกี่ยวกับเรื่องบาลีโอเค okay. สวดภาษาไทยดังนั้นถ้าภาษาไทยเนี่ยนะมันก็มีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างธรรมดาใช่ไหมอ่าก็ไม่เป็นอะไรเพราะพระุทธเจ้าเอาความเข้าใจเป็นหลักยังเข้าใจสักห้าเปอร์เซ็นก็ยังดีหนึ่งเอร์เซนก็ยังดีเข้าใจแม่นิดก็ยังดี หรือว่าเข้าใจไหมพิงบทเดียวผู้เจ้าก็บอกโอเคแล้วไงเนี่ยก็หลักการที่ผู้เจ้าก็วางไว้หมดแล้วดังนั้นเราไม่ต้องไปบัญญัติหลักใหม่เลยว่าเออบอกว่าสวดนี่ทําเป็นต้นเบื้องอะไรไม่ต้องอตมา ถ, ถึงบอกยิ่ต้องยกระสวดเนี่ยในเมื่อสวดผู้เจ้าก็บอกแล้วว่าเออรู้ธรรมะบทเดียวก็ได้ก็ในบทสวดนั่นแหะมันคือบทธรรมะบทเดียวก็ได้แล้วไงเช่นาหมผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติแลอันนี้คือบทสวดบทคําที่หลุดจากปากผู้เจ้าเนี่ยดีหมดสวดได้หมดนะ ศึกษาได้หมดใช่ไหมแต่บทใดที่พระองค์นะ่ทรงสาธยายเองก็คือปฏิจจสุบัติใช่ไหมเราก็หยิบบทนี้มานะหรือบทใดที่พระองค์บอกว่าอันนี้ดีนี้เลิศนี้สะดวกต่อการเข้านิพพาน mm hmm. ก็เอาบทเด่นๆที่พระองค์แนะนำไว้สรรเสริญเอาไว้มาเป็นบทที่เราจะได้สาธยายเพราะว่ามันเยอะแทนที่จะสาธยายทั้งตู้เราก็สาธยายแค่5พสูตรสพรสูตรพออย่างเนี้ยอ่า ก, ก็หลักเกณฑ์มันก็แค่นี้อา้าใจไหมในส่วนของตรงนี้เนี่ย<ม>ในความหมายของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าถ้าสวดโดยไม่รู้ความหมายมจะไม่เกิดประโยชน์อันไรเลยอันนี้ถูกต้องไหมครับใช่ไม่รู้ความหมายก็อย่างที่อตมาบอกนะว่าโยมสวดคำว่าปานาติป า, าตาเวรมณีแต่ประเด็นที่โยมพูดเนี่ยไม่เกี่ยวกับบาลีมันก็ต้องตัดประเด็นนั้นออกไปแต่ถ้าโยมสวดว่าเพราะมีผัะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาปัจจัคืออะไรไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่รู้ แต่เวทนาลุไหมเอาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆอะรู้อะรู้รู้แค่นี้พออย่างเนี้ยจึงนี้ตัณหานะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีประธานไล่ไปรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่างนี้ก็ได้เออในความหมายของผมก็เหมือนว่าก็เออสวดตรงเนี้ยนะฮะถ้าเราจะใช้ไปดูุบายในการทําให้จิตเราไม่ส่งไปที่อื่นไม่แส่สายไปที่อื่นแล้วว่าอยู่กับคําสวดอย่างเดียวเนี่ยยังจะพอเกิดประโยชน์ได้บ้างไหมครับในความเห็นขอบพระคุณเจ้าความเห็นพระพุทธเจ้าดีกว่าอาตมาน่ยไม่มีความเห็นถูกต้องนะ ความเห็นของพระเจ้าก็คือหนึ่งเป็นคําพระเจ้ายมใช้แล้วว่าคําพระเจ้า2อยมเข้าใจแต่ยมเข้าใจไม่หมดน ะ, ะการที่โยมจะเข้าใจได้จิตต้องมาตั้งมั่นตรงนั้นไหมต้องมาตั้งมั่นถ้าจิตมันฟุ้งซ่านส่งไปที่อื่นมันจะรู้ได้ยังไงมันแค่สวดก็สวดผิดแล้วใครเคสวดผิดบ้างเยอะแยะใช่ไหมสวดไปสวดลักษณะตาอ่านอยู่นั้นถึงเลยเลยเอาสวดไปตรงไหนแล้วบรรทัดไม่เจอเพราใจมันไปที่อื่น การที่โยมมาอยู่ได้จนตลอดนี่จิตตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิแล้วการสัจชายะจริงเป็นสมาธิอยู่ในตัวแล้วเป็นไปเพื่อพิมุติได้ไงใช่ไหมความตั้งใจมั่นเวลาโยมไม่ตั้งใจมั่นคือฟุง้งซ่านง่วงนะสวไดไปหลับไปมีทั้งนั้นนะ่ะนะอาตมาก็เป็นนะฟุ้งซ่านก็เป็นสวดเลยก็เป็นขาดตกก็เป็นเหมือนโ ย, ยมพูดมาเนี่เข้าใจหมดนะ่นะใช่ไหมนี่นะ่ะ ตั้งใจมันมีแล้วอย่างเช่นเราสวดอิติปิโสพระวาอรางสัมมาสัมโพวิจารยจนจะ้งจบเลยนะฮะแต่เราค้นสวดไม่ทราบบาลีนะครับว่าแปลว่าจริงๆแล้วแปลว่าแม้เพราะเหตุจากนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์กับสวดไปเนี้ยแทนที่เราจะไปนึกถึงเรื่องโทษนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนึกถผู้หญิงนึกถึงการไปเที่ยวนึกถึงอะไรนะฮะเราก็เอาจิตเราเนี่ยมารวมสวดอิติปิโสพระวารางสัมมาเพราะจะไปนึกปรุงแต่งในเรื่องที่เป็นอคุศลทั้งหลายเนี่ยเราลืมขีดเข้ามาสวด อีกมีส่วนพระเวาสู้กันตอนนี้แทนที่เราจะไปนึกเรื่องผู้หญิงเรื่องเลี้ยวเรื่องเรื่องไปทาบาปํากรรมเรื่องฆาศาสตร์เรื่องรักทรัพย์อะไรนะฮะตัวนี้จะเป็นประโยชน์ในส่วนในส่วนที่เราไปดูการทรงจำไงกับแล้วยอมจะได้ประโยชน์จากการทรงจํานั้นไหมต่อไปยอมจะได้การค่อยคุณพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ไหมซึ่งมันคือขั้นตอนต่อไปของการรู้ตามซึ่งทำสิบสอขั้นตอน โยมจะหยิบหนังสือนี้มาสวดโยมต้องมีศรัทธาแล้วถูกต้องไหมเป็นคําสวดของใครโยมแยกยะแล้วถูกต้องไหมมีศรัทธาใช่ไหมเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสงบลงฟังซึ่งธรรมโยมจะฟังทำใครโยมจะสวดทำใครโยมต้องผ่านระดับของศรัทธามาก่อนถูกต้องไหมแยกแยะสกินแล้วสมณะนี้ไม่เอาปริพาชกนี้ไม่เอานะพิกเมตไม่เอาลาหูไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาเจ้าที่ไม่เอาใช่ไหมผ่านยักษ์ไม่เอ า, า, เอาอนี่แต่งใหม่ชุมนุมเทวดาไม่เอานี่นี่ เอาพุทธวจนะโจมเลือกละนี่ผ่านความเพียรผ่านปัญญาผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะหลายขั้นตอนล้นเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งเสรจทำสิบสองขั้นตอนแต่โยมมาหยุดแค่ทรงจำผมจาอย่างเดียวได้นะผมไม่อยากไข้ควรไม่รู้อะไรเลยได้โยมก็หยุดอยู่แค่นั้นไงมันก็ได้แค่นั้นไงหรือยังจะได้แค่ศรัทธาก็ได้ใช่ไหมมีศรัทธาเข้ามาหาแต่ไม่เข้ามานั่งใกล้ไม่เงียบโสดลม ซึ่งเขาก็ได้แค่นั้นคนมาวัดมาอยู่แต่มาแล้วก็ไม่เข้ามาหาไม่เข้ามาฟังธรรมเยอะแยะถาวายทานเสร็จก็ไปฉันก่อแค่าทานแค่นั้นถามว่าทําไมไม่ได้ได้แต่ได้แค่นั้นนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ไหมได้ะ<น>จะยืดเอาไว้อีกแต่ท่านนี้ <laughs> คือในความหมายของพระคุณเจ้าเนี่ยผมเข้าใจว่าอในส่วนที่เราเข้าใจความหมายของคาําสวดอย่างลึกซึ้งนะฮะโดยนํามาทบทวนเพ่งพิจารณาอยู่เราก็จะเห็นว่าอ สิ่งที่พระองตรัสไว้เนี่ยทนต่อการเพ่งทำก็จะเกิดศรัทธาแล้วมีการส่งมีศรัทธาแล้วก็ส่งตัวไปในธรรมนั้นเพราะกสุดการปฏิบัติเพราะพระผู้เจ้าพูดว่านี้คือหนทางเข้าสู่วิมุติ้5ประการและอธิบายว่าการสัจชายะที่เป็นไปเพื่อวิมุตนั้นทำอย่างไรนะความเห็นพระตถาคตกำลังพูดเรื่องการสวดสัจชายะที่เป็นไปเพื่อวิมุต ไม่ใช่เป็นไปเพื่อสมาธิไม่เป็นไปเพื่อไอโ น, น่นไอนี่ไม่ใช่แต่ถ้าโยมจะพูดแค่นั้นน่ะโยมต้องไปพูดในเรื่องการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนผมจะหยิบอยู่แค่การทรงจําได้ไหมได้อยู่แค่นั้นก็อยู่ไปสิใช่ไหมผมไม่อยากให้คุณพิจารณาเนื้อความที่ผมทรงจําเอาไว้นะผมไม่อยากทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของธรรมะผมไม่อยากให้คุณอะไรทั้งนั้นผมเอาแค่จิตผมอยู่กับบทสวดเนี่ยผมสวดไปสวดไปได้ ไ, ดไหมได้ แต่คุณจะได้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งทําต่อไปไหมไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจครับอ่าก็หมายถึงว่าถ้าเราใช้บทสวดเราเนี้ยนะฮะขำจิตคือเพราะผมเพราะน่าจะแยกเป็นสองส่วนได้ได้ขึ้นหนึ่งสมาธินะครับ ส, สองวิปัสนา อ, อแต่สมาธิก็หมายถึงว่าเออใช้บทสวดเราเนี้ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรวนจิตให้ตั้งมั่นที่ผู้คนก็ตัดไว้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงนะก็คืออะไรเป็นจริงกัรู้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ ตรงนี้มันจะทำให้จิตให้ตั้งมั่นแบบภูย่าไม่ได้คเพราะจิตที่ตั้งมั่นนั้นดำเนินมาจากสุขสุขนั้นดำเนินมาจากปิติปิตินั้นดำเนินมาจากการค่ายควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ค่้ควรนละสว ด, ดาอถึงแยกเนี่ยความเข้าใจในอัตในธรรมไม่ใช่จิตตั้งมั่นเพราะว่าอะไรนะจิตตั้งมั่นเพราะว่าเสียงเพราะเพลงเพราะฟังแล้วสงบนิ่งสบายอย่างนี้ สุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผู้เจ้าบอกเป็นอะไรเป็นสุขที่ควรกลัวอย่าทําให้มากเจริญให้มากพระองค์แยกสุขที่ควรกลัวกับไม่ควรกลัวออกจากกันเรียกว่าความสุขอ่าความสุขคุณต้องแยกอย่างนั้นต่อถูกต้องอันนี้อันนี้ประสนิปภะที่ต้องใช่แต่ว่าในความหมายของผมเนี่ยเขาจะคิดว่าน่าจะเข้าใจไม่ตรงกัน ผมผมเข้าใจอย่างนี้นะมาถึงว่าที่มีบทบาลีว่าสมาธิโตยถาภูตังปัญญาจิจิตตั้งมั่นแล้วย่อมดูเห็นตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่จิตตั้งมั่นเนี่ยในมันเดี๋ยของผมเนี่ยคือมันตั้งมั่นไปในหลายกรณีอย่างที่พระคุณเจ้าแต่ว่ามามีตั้งแต่รามวดปิติปัสสตินะครับสมาธิก็คือตั้งมั่นแล้วก็อาจจะไป่ฉาลนิาพยลืมตัวนี้ไปยมลืมเรื่องมิจฉาสมาธิครับมิจฉาสมาธิก็มีอ่ะตั้งมั่นแล้วมันผิดอต่เวลาโจรเนี่ย จะโปลดเซฟเนี่ยตั้งมั่นนะตั้งมั่นมีสติระมัดระวงังซ้ายขวาตั้งมั่นใจตั้งมั่นดีไม่วอกแวกเลยวิชฉาสมาธิโยมใช่ไหมอ่าไม่ได้เป็นไปพร้อมพุทธนิพพานนะใช่ไหมความตั้งมั่นนั้นตั้งมั่นแบบมีมูลฐานหรือเหตุปัจจัยอันเริ่มจากสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเริ่มจากอะไรเริ่มจากรูปเสียงกลิ่นรสไม้หรือเริ่มจากการสงบระ ง, งับอกุศลดับไป อย่างนี้ก็ต้องตรวตรงนี้ไงในความหมายนี้มายถึงว่าตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราอยู่บ้านหมายถึงว่าจะเอาไปใช้อะไรนะฮะก็คือให้ตั้งมั่นก่อนนะพอตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็พิจารณาพุทธพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างเช่นว่าให้พิจารณาตายรักนะครับด้วยใช้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจากการที่เราใช้อุบายในการทําจิตให้ตั้งมั่นนะครับอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ว่าเป็นเอกตาจิตนะฮะเอาจิตที่เป็นเอกคตาจิตเนี่ยด้วยวิธีการปฏิบัติที่จิตตั้งมั่นแล เข้าใจแล้วโยมพูดคําว่า <Harriet> ตั้ง uh มั่นเนี่ยมันม you know, <hundred> <trans> ันไม่เหมือนกับตั้งมั่นของอาตมาเข้าใจกับโยมเข้าใจมันไม่เหมือนกันเพราะคําว่าตั้งมั่นของโยมโยมก็ใช้คําพูดของพระเจ้าว่าตั้งมั่นแล้วเอามาโยงสู่การเห็นการเกิดดับแต่ความตั้งมั่นเนี่ยมันมีมูลฐานมาจากไหนเหตุปัจจัยอะไรวิธีที่ตัมันเหตุปัจจัยของความตั้งมั่นอ่ะพระเจ้าบอกเช่นเจริญมรรคแดแล้วจิตตั้งมั่นนะมันต้องอยู่ในมรรคแปดแล้วจิตตั้งมั่นใช่ไหม มันเป็นสมาสมาธิอันเป็นอริยะนี่อย่างหนึ่ง2จิตตั้งมั่นที่เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจติยฌาน9้าระดับแล้วจิตหลุดพ้นเพราะเห็นเกิดดับนี่คือเหตุของความตั้งมัน่นดังนั้นสัมมาสมาธิผู้เจ้าก็แจกแจงสมาธิเก้ระดับซึ่งเก้าระดับมีมูลฐานมาจากอะไรสร้างเหตุอะไรผู้ชา่างบอกหมดหนึ่งละนิวรณ์ห้และอกุศล่สามอย่างการปฏิบัติเวียดเบียนและอะไรบ้างอะไรบ้า ง, ะางนะาวาจาดับอกุยส่นลธรรมดับ นะกรารมสัญญาดับหเหตุปัจจัย5้าอย่างที่เข้าสู่ปฐมฌานนี่เหตุปัจจัยมันไม่เข้ากันนะดังนั้นคนอย่าไปทําสมาธิแบบปิดๆอาศัยเปิดเพลงแล้วก็ทําให้จิตตั้งมัน่นอัตมาว่ามันมันตั้งมั่นไม่ได้ไอ้นั่นมันเป็นความเลยแล้วกันไม่จะตั้งมั่นเป็นความนะเลอะก็เขาบอกวานะ่าตั้งมั่น <ไป S 2> เขาบอกสมาธิเหมือนกันเวลาคนพูดว่าสมาธิเนี่ยมูลฐานมันไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันคนบอกว่าได้ปิติมูลฐานก็ไม่เหมือนกันปิติ เกิดจากรูปเสียงกินรสก็มีนะอย่างนี้สุขเกิดจากรูปเสียงกินรสก็มีแต่ปิติเกิดจากการสมบประนับก็มีอย่างนี้มันไม่เหมือนกันไงดังนั้นมันต้องสร้างเหตุตามที่พระองค์บัญญัตินะดังนั้นเวลาจะสร้างอะไรก็ตามอาตมาถึงมองย้อนกลับไปว่าพระุทธเจ้าพูดหรือเปล่าหรือว่าเราพูดเองคําพูดนั้นนะพะพุทธเจ้าพูดไหมถ้าไม่มีพระสูตรสักพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าเคยพูดนั่นคือการที่คนคนนั้นบัญญัติขึ้นเองใช่ไหม บัญญัติปัญญติคืออะไรคือการใช้ปากเนี่ยพูดคําพูดออกมานะบทพันธะที่ออกมาเนี่ยเป็นบทพันธะของพระศาสดาหรือว่าบทพันธะเราพูดเองใช่ไหมเราจํามาจากใครหรือว่าคิดเองเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยังนั้นถ้าอ้างอิงก็สู่อไม่ได้เนี่ยคือไม่ใช่อย่างเงี้ยต้องอ้างที่จากยันต์ตามพระพุณเจ้าเนี่ย<อ>เห็นว่า<อ><อ>คนไทยเนี่ยนะพวกคุณเจ้า<อ><อ>คือต้องต้อ ง, อ, ง อ, อ, อ, อธิบายความตั้งใจที่แท้ทจริงเห็นคนไทยเนี่ยชอบสวดมนต์ นะครับ uh huh. แล้วก็มีหลายคนที่เป็นเพื่อนฝูงกันก็มาถามว uh ่า huh. uh huh. เอ๊ะเขาชอบสวดมนต์เนี่ยจาก uh huh. จริงๆแล้วอย่างที่พระคุณเจ้ า, าว่าที่แหละก็คือวิธีการทําสมาธิของอย่างที่พุทธเจ้า huh. ส่งแนะนําไว้เนี่ยการสวดมนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าจะไม่จะไม่มีปรากฏอยู่สักเท่าไหร่ uh huh. นะครับผมก็เลยเ อ, อธิบายหรือว่าคุยกันในเบื้องตอน้นว่าเอ๊ะเราน่าจะดูว่าถ้าจะชอบสวดมนต์อยู่นะครับหรือว่านิยมใ น, ในการสวดมนต์อย่างเช่นสวดอิติปิโสร้อยแปดจบ Uh huh. น ะ, ะอะไรก็ว่าไปฮะที่อย่างเช่นส่วนบนค่าป uh ี huh. uh huh. อย่างที่เราคุณเจ้าก็ทราบอยู่อ uh huh. uh huh. ว่าทํายังไงว่าจะเอาสิ่งตัวเนี้ยมาเป็นประโยชน์ไม่ใช่มาสวดแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นที่มันฟุ้งไป <Sure. S 1> ถ้าเราสวดแล้วโดยที่อ่ะไหนๆก็นิยมส่วนบนกันอยู่นะฮะ uh huh. ชอบส่วนบนกันอยู่หรือว่ามีอนิสัยชอบส่วนบนอยู่อ่ะมาสวดแล้วก็ uh huh. อ่า พยายามส่งจิตไว้กับคําสวดไม่ส่งไปที่อื่นไม่แสไปที่อื่นหรือว่าแทนที่จะไปดูละครที่มันเรียกว่าน้ําเน่าอะไรเงี้ยอ่เราก็มาสวดอีกทีพิศโละร้อยแปดจดโดยที่จิตก็ยังอยู่กับออคําสวดเหล่าเนี้ยอ่าผมผมอในมุมมองของผมไม่ไม่ถ้าเดินไปสอนอย่างนั้นน่ะทําไมเดินไม่สอนอย่างนี้อ่ะนะก็คือไม่ไม่ได้สอนทำไมถึงว่าอได้ได้ความเห็นกำแนะนำคือ โยมที่โยมพูดว่าคนไทยชอบสวดมนต์แล้วทาไมไม่บอกอย่างนี้อย่างนงนี้อาตมาก็บอกว่าแล้วทําไมไม่บอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่อาตมาจะบอกบ้างใช่ไหมก็ในเมื่อโยมบอกว่าจะบอกอย่างนั้นอาตมาบอกจะบอกอย่างนี้ได้ไหมว่าอาการสวดมนต์เนี่ยมีประโยชน์เจ็ดสูตรตามที่ผู้เจ้าบอกไว้ดีคนไทยสวดมนต์ดีมีประโยชน์อย่างนี้เจ็ดพศูรนี่ใช่ไหมและการศาธยายธรรมที่เป็นไปผู้มุตเป็นอย่างนี้อ่า ทำไมจะไม่ดี่ะก็คำพุทธเจ้าทั้งหมดมีคำพุทธเจารับรองเช่นอะไรนะอันที่1เพื่อความตั้งมั่นของพระศัทธรรมโอ้ถ้าท่านสวดคำพระศาสดานะพระสัทธรรมจะตั้งมั่นดังนั้นอันดับแรกต้องแยกแยะ ก, ก่อนต้องเป็นคำพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมอ่าอันดับที่2เนี่ยเป็นเครื่องให้ถึงบิมุดนะเขาก็ดีใจละโอ้เขาสวดมนต์เนี่ยนะเป็นเครื่องถึงบิมุดได้แล้วข้าไปลงในละเอียบอกพุทธเจ้าบอกถึงวิมุดยังไงถูกต้องไหมสามเป็นอาหารของความเป็นผู้รูสูตร และนี่คือคำผู้เจ้าด้วยไม่ใช่คาของเราใช่เธอจะเป็นผู้หูสูตรนะอ่าอันที่4เป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศบริษัทที่เลิศพ่ อ, อไรพวกปฏิปุจฉาวินีตาปริษานูอุกาจิวินีตานา่ไม่ใช้คำของสาวกดังนั้นอาตมาจึงแยกก่อนว่าบทสวดของโยมต้องไม่ใช่คำสาวกและบทสวดของคนใช้ต้องไม่ใช่คาที่สาวกแต่งขึ้น แยกอันนี้ได้เนี่ยโอ้โหอัตมตตมาอนุโมทนาสาธุมากเลยนะสุนมันจะบันเจดิดขึ้นอีกเยอะเลยนะห้าพระสูตรที่ห้าทำให้ไม่เป็นบนทิน่นะนะกุศลทั้งหลายมันจะหมดไปนะหเป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนขณะที่จิตอยู่กับบทของพระาศาสดาเนี่ยนะจิตจะไม่มีพยาบาทเบียดเบียนนะ พระสูตรที่7เป็นเหตุให้ละความมุ่งได้เห็นนะนี่คือเจประโยชน์ที่พระศาสดาบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องการสัจชายะนี่ไงใช่ไหมหมายถึงว่าที่พระคุณเจ้ากล่าวมาทั้ง7ข้อนี่ก็คือเป็นอ น, นิสงส์หรือว่าเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ของการสวดถูกตอ้องแต่ว่าควรจะเป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าตัดไว้แล้วก็ถรู้ความหมายด้วยก็จะไดนประโยชน์ เป็นที่ที่พระคุณเจ้าที่พระพุทธเจ้าถักไว้เ่ข้อที่พระคุณเจ้าใวใช่ถูกต้องพระพุณเจ้าที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ก็ได้ความชัดเจนนะรัชการพระจานร์ชอสังขารที่เสงียมสอดเอกว่าการสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดตามพุทธวจนะเนี่ยก็เหมือนกับเราส่งเสริมหาะเราสืบสารคำสอนพระพุทธองค์ให้ยั่งยืนใช่ แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยสนับสนุนการสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดมนต์ปีใม่ที่เป็นคําแต่งของสาวกก็จะทําให้คําแต่งของสาวกเปิดบานแบ่งบานนะนะ<ช>แล้วคําของพระพุทธองค์ก็จะค่อยๆเสื่อมไปหรือสูญไปก็<ช>จะไปขัดกับคําสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าให้ฟังแต่คําสอนของพระพุทธองค์เท่านั<ช>้นอย่าไปฟังคําสอนอื่นใช่ใช ก็เลยมองว่ามันก็มีข้อดีในเรื่องของการสวดมนต์ uh huh. แต่ว่าเราควรจะพิจิตพิจารณาว่ามนต์ที่สวดหรือว่าคํญญาศัพทยะที่สวดนะคะเป็นคําของพระพุทธเจ้าหรือเปล่ า, าใช่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็ไม่ควรจะช่วยกันสนับสนุนนะคะเพราะมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยสาธุชนก็จะเกิดความเข้าใจผิดใชะะ่แล้วทุกคนก็โอ้ปีใหมช่ชาวพูดตอนนี้เป็นข้านิยมนะพากันมาสวดข้ามปี uh huh. แต่ไม่รู้สวดอะไ คิดว่าอันนั้นได้บุญ<ช>จริงๆอาจจะไม่ได้อะไรทุกอย่า ง, าง <c oughs> และวัดที่สวดมนตข้ามปีโยมไปตรวจดูได้เลย <c oughs> เขาไม่ได้ใช้พุทธวจนะมีพุทธวจนะบางส่วนอ่าตรวจดูได้เลยโยมเพราะวัดในประเทศไทยที่ใช้พุทธวจนะก็นับวัดได้นะนั้นไอการสวดข้ามปีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมีบทที่แต่งใหม่แทรกเข้าไปด้วยเยอะแยะไปหมดเลยนี่แหละนั้น ตรงประเด็นนี้ถึงต้องหยุดไว้ก่อนไงต้องเบรกก่อนขอให้เป็นคำพูทจาเพิ่มเติมนิดนะครับว่าการสวดมนต์เป็นภาษาซึ่งไม่เข้าใจนะจะเป็นภาษาบาลีที่ภาษาญี่ปุ่นที่ชอบสวดกันเยอะแยะเนี่ยสวดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนประกอบของวิชาเลยอมันเป็นมันจะต้องบอกว่าเป็นอวิชาเป็นความไม่รู้สวดด้วยความไม่รู้เป็นความหลงอ ดังนั้นมันก็เป็นอกุศล uh huh. เพื่อเป็นอกุศลปฐมวิชารก็ยังไม่ได้ใช่งนั้นจะบอกเป็นสมาธิก็ย่อมไม่ได้เด็ดขาด uh huh. ใช่เนี่ยมันจะมีสวดอีกหลายๆแบบแบบภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรซึ่งนอกจากเป็นภาษาที่ไม่รู้เรื่องแล้วยังเป็นบทที่แต่งใหม่อีกด้วยโอ้มันหลายชั้นไงดังนั้นเราจะมาพูดแค่หลงๆ ว, ว่าเออบทสวด ท, ทั่วไปหรือหลักการสวดมนต์ข้ามปีดิมันไม่ใช่หลักการไง ดังนั้นหลักการเนี่ยสัจชายะคือการสัธทยายธรรมของพระาศาสดาเนี่ยเราจะต้องบอกหลักการที่ถูกต้องน ะ, นะแล้วก็ชัดเจนว่าเนื้อหาคืออะไรอย่างนี้ถ้าเนื้อหาถูกไม่มีปัญหาสวดไปเลยนะอ่าแล้วก็ถ้าเนื้อหาผิดก็เรียบร้อยแลตั้งแต่แรกมันจะเป็นนิชชาธิฏฐิมาด้วยนะอาจารย์เด็เนี้ก็มีจังหวะที่้วนะฮะอา่ า, อา มันจะปรุงแต่งกันไปหลายอย่างใ็อยาจะกลาวเปลี่ยนข้อจากนะนะคะว่า อ, อ, อยากให้ชาวพุทธนะคะลองปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์นะคะเพราะว่าโยมก็ได้ปฏิบัติตาม เ, เช่นการเจเริญอนาปานะคะแล้วก็พยายามศึกษาพระสูตรเท่าที่จะมีปัญญาเข้าใจได้แล้วเราปฏิบัติตามแล้วก็พบว่ามันกอ็อย่างที่พระองค์ตรัสว่ามันเป น, นอาการที่โกรธนะค ะ, นะคะแล้วมันก็ ทุกคนสามารถที่จะพิสูจน์คําสอนของพระพุทธองค์ น, นะคะว่ามันเป็นจริงหรือไม่ก็อยากให้ญาติโยมลองลองมาปฏิบัติตามคําของอพระพุทธเจ้าจริงๆนะคะว่าการเจริญ น, นาปลาลเริ่มต้นยังไงโดูลมหายใจยังไงเบสิกตามที่พระพุทธองค์เป๊ะๆ เ, เ, เลยเนี่ยโยมเชื่อว่า ท, ท่านจะพบะสัจธรรมที่พระพุทธองค์ท่านสอน อ่าเมอ้อนแหละเคยสวดมาเยอะเนี่ยมีแนวคิดไหม<笑><笑><笑>เห็นว่ายงังไงบ้างอาารครับผมผมเคยเค ย, เคยสวดมาเยอะมากนะสวอดอภิบาลพระไดปิดกสวดชินมัญชรสวดคาถามหาลาสสวดอะไรมาผมว่าผมสวดมาไม่ต่ำกว่า20สปีครับอ่า <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรเลยอ่าแต่พอมาปฏิบัติทางทางพุทธจนาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า อ, อความทุกข์เราหล่นหายไปเยอะครับถ้าจะบอกว่าความความทุกข์ความทุกข์ ม, กมีอยู่แต่เราเข้าใจเข้าใจมันแล้วความทุกข์มันสั้นมากครับอืมสั้นจนกระทั่งภรรยาบอกว่าเรารู้สึกเห็นแก่ตัวคนเห่นเขาทุกข์เราไม่ทุกข์เลยนยจนจนจนัญญาเห็นแล้วก็เลยมาปฏิบัติบ้างเพราะมันไม่ทุกข์จริง <laughs> อันนี้ก็ถ่าจะเป็นเป็นส่วน ท, วนที่ส่วนที่ที่เป็นประโยชน์นะครับอ่าครับอ่า ยาที่อยู่ข้างหลังอาจารย์เขาไม่ไม่เรียกไปทุกนะที่เขาจะไม้ตอบก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นประโยชน์เยอะนะครับเป็นประโยชน์แล้วก็เลเพื่อนๆที่ที่เห็นเราก็ก็มาปฏิบัติกันอาจจะมากันเดินทางประมาณสักสิ20คนผมมองว่าสิ20ิคนเนี่ยถ้าปีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยครทําีปีหนึ่งสองปี3าปีสิบปีผมว่าคนมาสนใจ พูดว่านี่จะน่าจะมากขึ้ น, น อ, อ่าฮะอ่ า, อาวัยรุ่นมากไหมฮะนีกจีอ่ะนิกจีนอะอ่านี่มีชื่อเสียงระดับประเทศนั่นเนั่งอยู่ไกลๆเนี่ยอ่าให้ภรรยาพูดก่อนนีจะเรียนสอบถามปัญหาของน้องทางเพื่อนนิดนึงอะนะคะคือคุณแม่เพื่อนอะไม่สบายนะคะแต่นี้เอเพื่อนอยากปริบัตคุณแม่อาอนนี้บังเอิญค่าคุณแม่เห็นหน้า ก็จะเกิดโมโหอหะค่ะทีนี้ทางทางทางเราเองก็อยากดูแลนะคะมไม่ทราบว่าจะมีมีทางแนะนำหรือทาข ย, ยังไงได้บ้างนะคะอ่าก็แนะนำให้ท่านท่านอ่านท่านศึกษาท่านฟังตรงนี้ดีไม่ละ่ะเนือนะอืมให้ท่านลองฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะจะเข้าใจ ก็แบบหลายๆคนที่ที่แบบพ่อเขาไม่ฟังเลยนะอ่าแล้วลูกก็หาอุบายให้ได้ฟังจนได้นั่งรถไปก็เปิดซีดีไปนะสอามชั่วโมงพอถึงที่หมายพ่อบอกลูกมีแผ่นไหมขอพ่อฟังหน่อยนะ mm hmm. เกือบทั้งนั้นนะจะขอเพิ่มทั้งนั้นนะถ้าใช่ก็แสดงว่าอ่แสดงว่าพ่อแม่เริ่มซึมซับละคนป่วยเริ่มซึมซับละอย่างเงี้ย น, นั่นเราลองเปิดในแบบไฟบังคับก่อนให้เขาฟังไปสักนิดนึงก่อน อาาเคยบังคับคนสวนมานั่งสมาธิโอ้ยอึดอัดครับข้องใจอาทิตย์แรกนี่นไม่พอใจเลยพอนั่งไปเรื่อย ๆ, ๆชวนเมียมานั่งชวนลูกมานั่งบ้างบอก็ดีนะเนี่ยนะแม่บอกถ้าอาจารย์ไม่พามานั่งนี่แย่เลย <c oughs> นะก็ต้องฝืนไปสักนิดหนึ่งก่อ น, นเดี๋ยวก็เข้าใจเอง ข้างหลังที่ข้างหลังยกมือหละบ้านงานคุณพระจอวันนี้ผมชวนเพื่อนมาด้วยก็เพื่อนเขาอยากฟังผมเพอาอยากฟังผมท่องพระสูตรแล้วผมก็เลยจะท่องอิทธปัจยาตาให้ฟังสั้นๆสั้นๆสักบทหนึ่ง อีมัสเมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาธาอีทางอุปัญชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสหมิงอสติอีทางนหโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิโรชะติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่กฎอิทัปปัจจิตาจริงๆเขาท่องได้ยาวกว่านี้เยอะ <c oughs> ต้องบอกเขาขอเป็นสัมปันกับขอาราชการพระคุณเจ้าอิดเดินคือวันนี้ที่มาเนี่ยตั้งใจจะมาหาดูกับพระคุณเจ้าคือผมได้ศึกษาหนังสือของท่านผุ้ศรทธาจากพอษอ่าท่านเล่มสีเรื่องเลยนะอ่าก็แต่ละเล่มเนี่ยอ่านมปอย่างน้อยสักสี่เที่ยวขึ้นไปตั้งใจว่าจะอยากจะจดจำทุตประพจน์ถ้าทั้งหมดได้เนี่ยก็คิอยากจะจดใจพอศึกษาไปแล้วเนี่ยเห็นประโยชน์อย่างมาก นะอตอนนี้ผมจัดพิพนขึ้นมาทั้งหมดประมาณหกพันห้าร้อยเล่มกับเล่มที่หนาแปดร้อยหน้าบ้างเก้าร้อยหน้าก็มีความคิดว่าจะเอาไปมอบให้กับผู้ที่จะได้อ่านจริงๆและได้รับประโยชน์จริงๆจากพุทธพจน์เหล่านี้นะฮะก็เห็นอยู่ที่หนึ่งก็คือที่มาจุฬาที่มีพระเป็นิสิตก็น่าจะได้อ่านห น, นังสือเหล่านี้นะครับซึ่งก็คงไมไ่หมด่ะเพราะเยอะมากอ๋อไม่ได้อ่านแน่เลยเยอะเพราะก็เรียนไปคนละเล่อง แล้วผมจะมาขอคำนะครับคุเจ้าของจะไปทำยังไงดีที่หนังสือเราเนี่ยจะตกไปสู่คนที่จะได้อ่านอ่าสักหกพันกว่าเล่มเนี่ยนะฮะอ่านสักสองคนก็นะผมก็พอใจละอืมก็เหมือนกับถ้าจะได้รับประโยชน์อย่างนี้โดยเฉพาะประสงค์เนี่ยโยงต้องเอาไปในแหล่งที่เขาต้องการจะศึกษาพุทธศานะโยงเนี่ยไปมอบในแหล่งที่เขาไม่ได้ศึกษาพุทธศานะมันก็จะกองไว้อยู่ตรงนั้นนะนะมีหนังสือมากมายที่กองไว้ นักธรรมตีโทเอกประเดียนึ่ถึงเก้าเขาเรียนคำสาวกภาสิทธิอ่านพระไตรปิฎกก็ไปอ่านสาวกภาสิทธิ์ที่เรียกว่าอัตถกาถาเราต้องรู้หลักตรงนี้ก่อนว่าหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นเนี่ยเขามุ่งศึกษาอะไรเขาไม่ได้มุ่งศึกษาพุทธวจนะทำไมหนังสือพวกนี้มันไม่มาตกอยู่ในองค์กรที่ศึกษาพุทธวจนะน ะ, ะมันต้องมาตกอยู่ในที่ที่เห็นประโยชน์และ หนังสือนั้นมันจะได้ประโยชน์ต่อคนในองค์กรเข้าใจไหมใช้ส่วนหนึ่งที่คุยกับเพื่อนที่ร่วมกันทำเนี่ยนะฮะก็ตกลงกันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาให้เป็นพระกับผู้คุณเจ้าเนี่ยที่จะช่วยเผยแพร่ออกไปว่าจะให้กับใครที่มีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาพุทธพจน์เนี่ยนะอย่างอย่างอย่างจริงจังนะครับก็โยมทัพพระเนี่ยนะอาตมามีพระอย่างทีมของอาจารย์สุจินเนี่ย ในทีมท่านมีเป็นร้อยๆนะหกพัน 6, เนี่ยจะไม่พอด้วยซ้ำนะเพราะนั้นเราสามารถที่จะจัดสรรตรงนี้ให้กับพระที่สนใจได้ทั้งหมดเลยพระเนี่ยมีเป็นแสนโยมอย่าไปเวียงแบบเวียงแหนะต้องเจาะไปก่อนเฮ้ยพระรูปไหนที่ต้องการศึกษาพันเตเอกพลที่สวีเดนวัดดอร์ล่าวานาลามอาวุโสรณรงชัยท่านก็มีเครือข่ายพระของท่าน มีวัดในสังกัดของท่านแต่ท่านไม่มีทํำยังไงท่านจะได้โยมลงโยนลงมาในแหล่งที่มันเป็นพุทธวัจนะสิใช่ไหมที่เขากําลังศึกษาตัวนี้อยู่มันจะได้ประโยชน์นะเน<อ>ี่ยเข้าใจปะเรียนพระคุณเจ้าตรงๆว่ายังไม่เห็นที่เป็นนาบุญเรามาเห็นก็คุณเจ้านี่แหละที่เผยแพร่ว่าพุทธพจน์อย่างจริงจังนะก็อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องวันนี้ก็ออเข้าใจว่าอย่างพระสงฆ์เนี่ยใครเห็นก็เรียกว่าพระสงฆ์ นะครับตัวเองก็เรียกว่าตัวเองเป็นพระสงฆ์ทีนี้ถ้าไม่รู้คําสอนของศาสนาตัวเองเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปถวายใครหนึ่งนกันใช่ก็เลยก็เลยถ้าคุณเจ้าเอคิดว่ามีที่ที่จะรองรับจํานวนขนาดนี้ได้เนี่ยก็คงจะต้องให้เป็นภาระของพระคุณเจ้าที่จะช่วยเผยแท้ไอ้ความตั้งใจอันนี้ฮะที่จะเผยแท้ไปไม่เยอะมีมีพระต้องการนะแต่เราก็ให้ ค่าส่งที่เราส่งให้เนี่ยเดือนเกือบแสนนายโยมเนี่ยส่งให้ทุกเดือนทุกที่น่ยทั่วโลกเนี่ยอันนี้จะมาอส่งตลอดเวลาค่าจัดส่งเลยเพราะปกติไปถวายผมไม่้ถวายหนังสือที่มอมจุราก็มีหนังสือพุทธธรรมท่านเจ้าคุณพระพรมกุณาพอดนะฮะก็นั่นก็พิมพ์ไปเป็นพันเล่มและเหมือนกันถวายไปแต่ว่าอู๋นั้นคาแต่งใหม่อย่าเอามาเด็ดขาด แม้ก็ท่านท่านท่านท่าจะเทศเกี่ยวกับเรื่องเอย่างขันห้าเนี่ยนะความหมายฉะนั้นเองครไม่มีอะไรไม่มีแต่งใหม่โยมยังไม่ดูรายละเอียดในนั้นมันคนละเรื่องกับ5้าเรื่องจากพระโอษฐ์5เรื่องจากพระโอษฐ์เนี่ยก๊อปปี้เป๊ะๆตรงๆจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐในส่วนพุทธเจชนะแต่ยังมีข้อผิดในนั้นเช่นลูประชานรูกประชานเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้พูดท่านยังไม่ได้เปลี่ยนท่านยังไม่ได้ตรวจแก้ให้มันเรียบร้อยข้อผิดในนั้นัน่าจะมีอยู่อีกเยอะพอสมควรแต่มันก็เป็นเปอร์เซ็นที่น้อย ไม่มีปัญหาสําหรับการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยใช้ได้น่าจะ9 0้กว่าเปอร์เซ็นตะ์น่ยที่มันถูกต้องนั่นเราก็ถือว่าให้ได้ศึกษาไปก่อนเพราะหลักการเนี่ยถูกต้องคือหลักการพยายามจะนําคํำผู้เจ้ามาใช้นะแล้วก็ก๊อปี้มาตรงๆส่วนพุทธธรรมอะไรเนี่ยหยิบคํำผู้เจ้ามาหน่อยแล้วก็แต่งไปเองหยิบคํำผู้เจ้ามาหน่อยแล้วก็แต่งไปเองคนละเรื่องเลยนะคนละประเภทเลยนั่นคือสาวกภาษิทธิแล้วก็นี่คือสไตล์ที่สาวกทั้งหลายเนี่ยในปัจจุบันใช้กัน ก็คือเทศเองหนะยิบคำพูะเจ้ามานิดหนึ่งแล้วก็เทศเองนั้นไม่ใช่ต้องก๊อปปี้ล้วนๆแล้วก็ทรงจำทุกคําไม่ให้ปิดพลาดอย่างนี้ผ ม, ผมตั้งใจว่าสั่งทาร ง, งพิมพ์นะาธรรมสภาเนี่ยเขาพิมพ์ทีละเล่มเพื่อที่จะนําไปถวายไม่เป็นไม่เป็นภาระมากเขาเล่มใหญ่ทีนี้ถ้าหากว่าถ้าลักษณะผมจะมาเรียนรบกวนพระคุณเจ้าให้ช่วยเผยแพร่ออกไป ผมน่าจะเอามาทั้งชุดเลยหรือว่าเอามาเป็นบางส่วนก่อนเช่นว่าทั้งห้าเล่มสีเ่เรื่องเลยนะมาทีเดียวจะเป็นภาระพุรจานเพราะมันเยอะมากหกพันเล่มนี่ผมว่าจะเป็นห้องใหญ่ๆที่เก็บรักหรือว่าจะเก็บแค่บางส่วนทีละส่วน<อ>ไม่มีปัญหาหรอกจริงๆเราก็เราก็สั่งตรงนี้เป็นหมื่นๆเล่มอยู่แล้วจริงๆเราก็ทําเป็นหมื่นเล่มอยู่แล้วแต่ถ้าโยมเอามาสมทบได้อีกเนี่ยมันก็จะเป็นหมื่นกว่ากับสองหมื่นตอนนี้สั่งไปแล้วเป็นหมื่นเล่ม แต่สั่งไปเนี่ยไม่ใช่ธรรมสภาพเพราะเราสั่งจากลงพิมพ์ที่เราสั่งให้เขาตรวจแก้แล้วเราตรวจแก้เองถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็พิมพ์ในส่วนของเราใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแต่ตรงนั้นอ่ะของเก่าวพอใช้ได้ไหมเก่าพอได้นะอ่าก็ยังไม่เสียหายอะไรมากเพราะเมื่อเขาอ่านไปอ่านไปเยอะๆเยๆยๆสืบค้นเองเป็นเขาจะรู้เองตรงไหนผิดตรงไหนถูกนะเพราะอตาตมาเองก็ได้จาก5้าเล่มตัวนี้แหละแล้วก็อ่าน5้าเล่มตัวเนี้ยจนปลุกละ ใช่ไหมก็เริ่มรู้ว่าโอตรงจุดนี้ผิดจุดนี้ผิดเราจะเริ่มเห็นนะเดี๋ยวเห็นเองแรกๆก็เ ช, ชื่อไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วคำพระเจ้าจะตรวจในคําของพระองค์เองกันได้นะอ่าตอนนั้นก็ไม่มีปมัญหานะใช่เงี้นก็ทูโอกาสกลับเปียนพระคุณเจ้ากลับเลี่ยนพระคุณตอนนี้ไว้เลยก็จะเมื่อเสร็จแล้วก็คิดด้วยไม่กี่เดือ น, นก็คงจะนำมาพร้อมกันได้ทั้งทั้งทั้งนกว่าเล่มที่ว่านี้ได้าาสามารถเอาเอามาได้ทั้งหมดนะ ดีนะทํำธรรมะเป็นทานแล้วก็เอามาได้แหล่งที่ถูกถูกที่ถูกคนเนะ่ยแล้วเอาไปให้ที่อื่นนะโยมนะไม่ได้จะว่าหรอกเพราะมันเห็นมาแล้วว่าเอาไปกองไว้เฉยเฉยไม่ได้อา่อานหรอกใช่ไม่อ่านเพราะเขาไม่เห็นความสําคัญเนะีนะ่ยะแล้วทำพระเจ้าเนะี่ยพระที่ไม่ปฏิบัติเนะี่ยอ่านแล้วมันแทงใจอ่นะอมันโดนเข้าตัวทั้งนั้นเลยโอ้โหอ่านไม่ลงนะเลยวางไว้ก่อนดีกว่า พระคุณเจ้าเราจะจะทำยังไงกับพระที่ชาวบ้านก็หวังเป็นที่พึ่งจะได้รับฟังคำสอนเอาไปใช้ไปปฏิบัติกันในทางท่พบเห็นก็อยู่โดยทุกวันโดยส่วนมากเนี้ยไม่ได้ศึกษาคำสอนพระเจ้าศาสดาขขงตัวเองสอนว่าอย่างไรเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกล่าวโดยทั่วไปนะครับสส่วนใหญ่แล้วเนียไม่รู้จริงๆ ว่าศคําศาสดาตัวเองเนี่ยสอนว่าอย่างไรเนี่ยผมว่าผู้ศึกษาวิทยาชนเนี่ยก็ควรจะต้องทราบโดยซ้ำไปคือไม่ต้องไปเที่ยวถามว่าศาสนาสอนว่าอย่างนี้ใช่ไหยศาสนาสอนทีนี้แม้แต่พระสงฆ์เองเนี่ยไม่รู้ว่าคําศาสนาสอนว่าอะไรเนี่ยอืก็จะเอาอะไรไปสอนชาวบ้านหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงในส่วนหนึ่งของของวงการพระพุทธศาสนาในบ้านเราไหมแน่นอนก็ก็เลยต้องเปลี่ยนไงแต่ทีนี้อยู่ๆไปเปลี่ยนท่านปุ๊บเนี่ยมันยังเปลี่ยนยากไง เราก็เลยเปลี่ยนพระทิ่พอเปลี่ยนได้เปลี่ยนคารวาที่พอเปลี่ยนได้ให้มากขึ้นมากขึ้นก็อย่างเนี้ยเราเปลี่ยนเนี้ ย, เ, ยเราเปลี่ยนจนสามารถที่จะสายอยู่ไหน เ่ยยมอย่างเราเปลี่ยนมา 4-5 ปีเนี่ยนะเราก็สามารถที่จ ะ, ะทำให้คนรู้จักไปทั่วโลกได้พอสมควรนะล่าสุดตอนนี้ว่าหนึสี้ยสถานที่จาก33ประเทศทั่วโลกใช่อ่า วนนั้นนี่คื อ, อพิกัดต่างๆนะในทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่ที่ลงพิกัดว่าตนเองได้ศึกษาพุทธวชน ะ, นะะแล้วก็ปฏิบัติตามพุทธวชเนะนะนี่ยมันก็ไม่น้อยนะแต่เราก็ต้องการให้มากกว่านี้อีกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ หลักการของผู้เจ้าคือไม่ต้องไปทําลายกายหรอกแต่สร้างคนเข้าใจให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วเนี่ยนะทั่วโลกใช้เนี่ยคนที่ยังไม่ใช้ก็หมดราคาไปเองนะผู้เจ้าบอกว่าหิ่งห้อยจะอับแสงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนะยังดูตอนนี้มันก็แพร่ไปไปทั่วโลกนะนี่ก็เป็นภาพของทั่วโลกที่ ท, ที่ศึกษาพุทธศานาอยู่ เป็นทวีปอเมริกาก็ดียุโรป ก, ก็ดีประเทศไทยก็ดีมันก็แน่นไปหมดพอสมควรนะเป็นองค์กรที่เป็นทั้งบุคคลและก็องค์กรน ะ, ะในจุดสีขาวนี่ก็เป็นบุคคลจุดสีเทาเป็นองค์กรจุดสีน้ำตาลจะเป็นตัวภิกษุนะส่วนสีน้ำตาลเข้มจะเป็นองค์กรของภิกษุนี่น้ำตาลเข้มนี่น้ำตาลธรรมดานี่สีขาวนี่สีเทาอย่างนี้นะ นั่นในภาคอีส า, านภาคเหนือก็มีทั้งนั้นนะในประเทศลาวเวียงจันหลวงพระบางมาเลเซียก็มีทั่วไปหมดนะเราสร้างคนอย่างเี้ยโยมกระจายไปเรื่อยๆทุกแหล่งเนี่ยต้องการหนังสือแบบโยมทั้งนั้นนะนะขอให้เป็นพุทธศาสนาล้วนๆอย่างเนี้ยเราสามารถแจกไปได้แล้วเราก็แจกใจ่ายให้อยู่ตลอดเวลานะเรื่องค่าส่งไม่มีปัญหาส่งได้นะญาติโยมมาทาบุญอยู่แล้วนะอ่าเราก็เอาเป็นค่าส่งค่าไรไป จนะากนี้ค่าทุกอย่างเพื่อทำให้คนเนี่ยได้มีข้อมูลที่ถูกต้องหลักการเระต้องการสร้างคนไม่ใช่สร้างวัตถุใช่ไหมนั้นวัตถุมีพอสมควรตามเหตุปัจจัยนะแล้วผลิตคนให้เยอะๆให้เขารู้ณนะวันหนึ่งนะอย่างโยมบอกรู้แค่สองเล่มก็รู้และใช่ใช่หนะคนได้ามาศึกษาและได้เข้าใจสักคนสองคนก็ดีแล้นะ นั้นเขาก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้ก็จะวางของเก่าเองนะของเก่าจมลดราคาไปหมดไปองค์กรใหญ่ๆเมื่อ <c oughs> เขามองลงมาข้างล่างก็เห็นมหาชนไม่ใช้คําสอนหนังสือของเขาเลยแล้วเขาจะทำยังไงเาก็ต้องมาใช้พุทธเจนะเขาก็เปลี่ยนเองใช่ไหมเพราะว่าเขาก็อยากเผยแพร่แบบของเขาเขาอยากเผยแพร่คาแต่งใหม่แต่ไม่มีใครใช้เผยแพร่ไปปุ๊บทุกคนวางทิ้งทุกคนใช้ พุทธวจนะยังไปวัดไหนเจ้าวาดเขาก็อยากเอาหนังสือของเขาหนังสือคำสอนอาจารย์เข้าไปแต่เราอ่านพุทธวจนะเขาล้างสมองเราไม่ได้ใช่ไหมคำสอนเขาจะหมดราคานะพุทเจ้าจึงบอกหิ่งห้อยจะอาบแสงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเข้าใจไหมผ ม, ผมเห็นว่าถ้ารัาสงเนี่ยได้ศึกษาหนังสือที่ว่าน่าเล่นนั่ไปนะฮะหนังสือเยอาเล่นเยอะมา กาสอนพระพุทธเจ้ามาสอนมัน<า>ไม่มีราคาพระพุทธเจ้าว่าที่แรกสอนอยางนงมีราคาความคิดความนืกเรื่องที่ตัวเองเข้าใจแล้วจะเอามาสอนการที่เอปัญญ า, าของคระุทธจ้ามาสอนเนี่ยต้องเลเรื่องกันตรชาจะเอาคาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้มาเทียบกับพระพุทธเจ้ามันไม่เทียบไม่ได้เลยใช่แต่วันนี้เนี่ยเขายังมองคําพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีอยู่สูงเกินไกลเกินปฏิบัติไม่ได้บ้างล็อกตู้พระตดดกไว้บ้างไม่ให้อ่าน นี่คือความเห็นของพระส่วนใหญ่นะอ่าใช่ใช่ตรงตรงเลยออกมาจากปากนักปฏิบัติที่เก่งที่สุดในโลกใช่ไหมแต่เราไปมองเป็นทฤษฎีมันเป็นบัณมคูใช่ใช่อ่านี่แหละที่ลูกศิษย์ดูถูกครัวจารย์ใหญ่ของตนเองใช่ไหมอ่าเป็นพระศาสดาด้วย แลาเอาอาจารย์เล็กๆสามวกรายุคปัจจุบันมาเทียบชั้นนี่นี่ความไร้สารามันเป็นอย่างนี้อืมฝากเรื <c oughs> เเ่องมันนี้ไว้เมื <c oughs> ่อต่อไปเนี่ยพระเถระเนี่ยจะจำเนียนเรื่องันี้ขึ้นมาใ<อ><ว>หม่บางคคนก็จะไม่ชอบ <c oughs> จะไม่ฟังคำพุทธองค์ใช <c oughs> ่นั่นน่ะสุตตันตะแต่งใหม่นั่นน่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่นะ เพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจเนี่ยและทุกๆคนเนี่ยที่ลงในหมวดอย่างนี้ก็ล้วนแต่กำลังพยายามทำความเข้าใจกับคนอื่นๆทั้งสิ้นน ะ, ะแล้วก็สมัครใจเนี่ยที่จะลงเองพิกัดของตัวเองลงในแผนที่ของ Google นะนะเราสร้างคนให้มากขึ้นเนาะอย่างนี้คนที่เข้าใจ ใบสองแล้วเนาะเดี๋ยวจะเย็นกันที่นี่แหละขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตต์ได้มาถวายทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรามีความเจริญรุ่งเนืองในชีวิตคิดหฝังสิ่งใดก็ให้สําเร็จสมความปรารถนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จมรรคผนิพพานในนาขตการันใกล้โดยทั่วการทุกท่านทุกคนเถิด Thank <laughs> you.